ขอความน้อมน้อมจงมีแด่คุณของพระรัตนตรยัย <c oughs> ขอเจริญพมอาทุชนทุกท่านที่วันนี้มาพร้อมบกพร้อมใจกันอยู่ในมหาสมาคมนี้ในโอกาสครบรอบ60ปีของยูเพุทธกาสมาคมแห่งประเทศไทย <c oughs> เมื่อวันนี้ธรรมาภาพไป เป็นประธานทอดผ้าป่าเพื่อจัดซื้อที่ดินถวายท่านติชนัทฮันจากหมู่บ้านพลําที่ท่านเดินทางมาบางไทยก็เพื่อที่จะสร้างหมู่บ้านพลัมในบองไทยก็เลยได้รู้ว่าตอนนี้ที่โคราชหรือนครราชสีมา <c oughs> แล้วก็พื้นที่ภาคอีสานไม่เพียงแต่น้ําท่วมเท่านั้น ลมหนาวกำลังมาด้วยแต่มาภาพก็ทำาท่าจะเป็นวัดเป็นไหนเพราะเมื่อวานนี้ทั้งวันเลยอยู่ที่นั่นนะตื่นตั้งแต่ตีตีสี่แล้วก็ออกเดินทางพอไปถึงก็ได้รู้สัจธรรมเลยนะ <c oughs> ก่อนจะออกเดินทางนี่ลูกสิดเตรียมกระเป๋าอย่างดีหมวกหมวกไม่พรมก็มีนะ ถ้าคลุมกันหนาวก็มีเราก็บอกลูกสิตไปโคราชเก็บหมดขึ้นเดียวไม่เดือดร้อนออกไปถึงที่ น, น่นเป็นยังไงละ่ะผมเปรยไหลลงไปทางคณะสงฆ์บ้ามพลาไปเอาพระหมมาให้ผืนหนึง่งพระหมสีเทาๆดำๆอ่ะปกติเราก็หมสีทองอารามอย่างนี้ใช่ไหม พอไปที่โน่นเขาพัดลมนำนำเราเทามาให้คลุมรู้สึกเหมือนตัวประหลาดยังไงก็ไม่รู้แล้วเราก็นึกนึกถึงเมื่อเมื่อก่อนออกเดินทางเราก็บอกลูกศิษย์ว่า <c oughs> นี่เธอจะเตรียมตัวให้ฉันไปไหนดูด้วยนั่นแหละทั้งหมวกนะทั้งถุงเท้าทั้งผ้าคลุมไหล่ทำยังก็จะไปอินเดียตอนหน้าหนาวอ่ะไปแค่โคราชนี่เอง แม่พอเขาเอาผ้าห่มมาให้เราใช้นะเราก็นึกถึงว่าแหม่ถ้าฉันได้ผ้าห่มคู่บารมีชันมานะ <c oughs> <c oughs> เออบางครั้งมันก็ไม่ควรจะประมาทเช่นนั้นเนาะบางครั้งก็ต้องฟังลูกศิษย์นะใช่ไหมแต่พอเริ่มงานจริงๆไปเดินเดินจงกรมคุญยมนโนรุษไปแล้วเนี่ยใช่ไหมไปเดินคู่กับหลวงปู่ลูกปู่ไม่ได้คลุมอะไรมาเลยเพราะว่า ีวรของท่านมันเป็นคล้ายเสื้อน ะ, อะท่านก็ใส่เต็มที่ของท่านมาท่านอุ่นอยู่ข้างในเนี่ยแล้วข้างนอกท่านก็คลุมลเราเนี่จะไปเดินโชวาไหล่มันก็หนาวอ่ะตัวก็เล็กนิดเดียวอาตมาก็สะเทือนใจว่านี่แหละผลของการไม่ยอมรับฟังวิสัยทัศน์ของลูกศิษย์ลูกศิษย์เขามีวิสัยทัศน์นะเราก็เลยทนเดินตากแดดตากลม กลับมาก็เลยมานั่งไอ้แคกๆอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นอยิาไปคิดว่าเราแน่นะลูกศิษย์มันแน่กว่าเรานะ <c oughs> ทั้งๆที่จะมาเองเดินเดินตักแดดก่อนจะไปหน้าใสากว่าวันนี้นะกลับมามันไม่ไปครึ่งหนึ่ง <c oughs> ก็ไปเป็นประทานทอดพระปาต้องต้องออกหน้าให้เขาไงนะวัดตัวเองก็ยังสร้างไม่เสร็จหรอกนะ ดัดิตใจกว้างไปเป็นประธาน <c oughs> นี่ดูไปนะคุณจอมนรุน <c oughs> วัดตัวเองยังขังค่าที่อยู่นะ <c oughs> แล้วก็ไปเป็นประธานทอดพระป่าให้แต่คุณยมเชื่อไหมว่าตลอดเวลาที่อยู่กับท่านเนี่ยอตาตมามีความสุขมากยมโชคไม่ดีเท่าอาตมา น, ะนาะอาตมาได้เป็นนั่งเขา่าชนเขาเลยนะ <c oughs> ปีที่แล้วก็เป็นนั่งเข่าชนเข่ากับท่านทีิชนัทหันที่เมืองบ็อกโดประเทศฝรั่งเศสท่านนี้มทนไว้เมื่อห้าปีที่แล้วปีที่แล้วเนี่ยเพิ่งจัดสรรเวลาได้ก็ไปอยู่กับท่านสองอาทิตย์ตื่นแต่ตีสี่เนะี่ยแล้วก็ไปปฏิบัติกับท่านจนถึงสี่ทุ่มเจริญสติทั้งวันอนตาตมาก็มีมีความสุขมาก พอมาท่านมาเมืองไทยเราก็ไปรับไปถวายพรี่ยบาทพัฒวีครูบาอาจารย์ด้วยสิ่งหนึ่งซึ่งอาตมาเห็นนะทั้งที่เราอยู่กลางแดดเปรี้ยงๆ เ, เวลาท่านเดินอยู่กลางแดดเนี่ยท่าน ม, ทานมีท่านมีงอบนะแบบเวียดนามนะไอเราพระไทยนี่เขาก็เอ่องอบมาให้เนะพระอาจารย์เนี่ยหลวงปู่ท่านก็ใช้อาตอมาแค่รับงอบมายังไม่ทันสวมเลยนะ พูดสุ่ข่าวห้าสิบชีวิตในกดแท้เลยถ้าสวมจะขนาดไหนอะสรรตาดูแล้วเฮ้ยอย่าสวมดีกว่านะรับมาถือเสร็จแล้วคืนเข้าไปบอกว่าถ้ะไทยไม่สวมงอบก็เลยเลยไม่ต้องสวมก็เลยเดินจากแดดจากลมกับท่านแต่จะมามีความสุขมากมากพอจนเอามาตั้งเป็น หัวข้อของการเสวนาธรรมวันนี้ว่าให้สุขแก่ท่านสุขนั้นทั้งตัวอาตมาอยู่กับท่านทิชนันท์หัน ห, หลายวันเนะ่ยเราก็นั่งดูนะยมพอ่อแต่มาปีนี้อายุ81ท่านทิชนันท์หัน85นะอาตมานั่งดูท่านนะขออภัยนะหนังหนังหน้าผากท่านหนังแก้มท่านทําไม่ตึงตึงอยู่ในระดับเดียวกับของเราเลย เราสาสิบเจ็ดนะท่านแปดสิบห้าแต่ทำไมท่านยังดูผ่องใสเรานี่ผ่องใสได้อย่าไปตกใจเลยเพราะว่าวัยวัยยัง ต, ต้นต้นอยู่ใช่ไหมสามสิบต้นต้นจริงๆปลายแล้วนะ <c oughs> จะเข้าหลักสี่แล้วนะสามสิบเจ็ดแต่ท่านแปดสิบห้าแต่เป็นแปดสิบห้าที่ลุกเองนั่งเองไม่มีใครประคองแล้วผ่อง ท่านท่านคงไม่ไปฉีดโบทอกที่ไหนรัศมีแห่งทํานั้นเปล่งประกายชัดเจนมากอาตมาพบท่านเมื่อปีที่แล้วพอไปถึงยังไม่ได้ทำอะไรเลย้วเตรียมคำถามจากเมืองไทยไปเยอะเนาะอยากจะถามครูบาอาจารย์เพราะว่าอ่านหนังสือท่านตั้งแต่อยุ่สิบหกสบเจ็ดพอไปถึงปับ๊บท่านก็ต้อนรับดีมากวันนั้นท่านท่านไม่ฉันข้าว ท่านยกสํำรับกับข้าวที่ท่านควรจะฉันมาถวายตมาซึ่งเป็นพระเด็กๆจากเมืองไทยรูปหนึ่งตามาก็แมนะแม่ท่านไม่ฉันนะให้เราฉันถ้าเราฉันเนท่านจะมองว่าเราตะกละหรือเปล่าเนี่ยไอย้มันเป็นเซ็นหรือเปล่านะท่านไม่ฉันแล้วท่านให้เราฉันเนี่ยนะแต่ถ้าเราเซ็นกับท่านวันนี้อดนะเขาจะลงเครื่องจากเมืองไทยไปไปถึงแล้วท่านไม่ฉันแล้วเราฉันเนี่ยเนื่องจากท่านเป็นปรมาจารย์สายเซนไง เราไม่รู้ว่าบา ง, บางสิ่งบางอย่างที่ท่านทำาน่ะมันเป็นปริศนาธรรมหรือเปล่านะเราก็คิดนะเอ๊ะท่านไม่ฉันท่านจะสอนเรื่องความว่างไหมแต่เราว่างจากเครื่องบินมาจากจากสวนณภูมิถึงสนามบินชาส์เดอะโกเนาะกี่ชั่วโมงสิบสามสิบสี่ชั่วโมงเนะจากชาส์เดอะโกไปสนามบินบอกโดถ้าเราไปว่างกับท่านด้วยเนี่ยนะ วันนี้มีสิทธิ์เป็นลมเนอะก็เลยคิดว่าทำเป็นอ่านปิสนาธรรมท่านไม่ออกฉันหมดเกลี้ยงเลยเพราะฉันเสร็จก็เข้าไปกราบท่านเหมือนนกน้อยซึ่งพัดตกจากรังแล้วไม่พบพ่อพบแม่ก็ไปหาท่านเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์แนละ้วเดินกราบเข้าไปกราบท่านอยากจะอ้าปากถามอะไรตั้งเยอะตั้งแยะสมัยโน้นก็ตั้งใจจะถามท่านพุทธทา ท่านพูดตท่านก็งานยุ่งจริงมลนภาพซะก่อนไม่รอให้เราได้ถามพอไปถึงแทนที่จะได้ถามท่านก็เรียกเข้าไปแล้วก็เนื่องจากท่านเป็นเป็นเป็นผู้ที่มีโครงโครงร่างใหญ่สูงน่าจะร้อยเจ็ดสิบจุดเนะ <c oughs> พูดยังไงว่าถ้าเป็นชาวบ้านก็เป็นนแบบได้นะลุง ป, ปู่ท่านเป็นพระที่หน้าตาดีมากแต่โยมไม่ต้องห่วงตอนนี้พระไทยก็มีแล้ว ทีหน้าตาดีพอจะโกอินเตอร์ได้ก็มีแล้วนะเนื่องจากท่านเป็นผู้ที่มีโครงร่างใหญ่มากเนี่ยเวลาท่านเรียกอัตมาไปกอดใต้เปลกท่านเนี่ยหมือนลูกนกไปซุกเปลเลยนะหมดสภาพเลยคำถามในหัวใจที่เตรียมเอาไว้ว่าจะถามพ่อแม่ครูบาอาจารย์น่ะหายเกลี้ยง ทำให้แต่มันนึกนึกถึงประวัติของครูบาอาจารย์ของเรา mm hmm. เช่นหลวงปู่ชาเนี่ยไปหาหลวงปู่ ม, มั่นบรรทุกคําถามไปเทียบแปรเลยเหมือนเตรียมจะเาของไปแจกน้ําท่วมเลยนะ mm hmm. แต่พอไปอยู่บืบาอาาบ้องแน่ครูบาอาจารย์เนี่ยกิเลสมันสงบคุณยมเคยเป็นไหมอยู่อยู่ใกล้ครูบาอาจารย์เนี่ยก่อนจะไปหานี่ยมันฟุ้งเตรียมโน่นเตรียมนี่พอไปถึงหน้าท่านอ่ะฉันแต่จะงัดคําพูดออกมาจากปากกันทําไม่ได้เลย ถ้าไม่ประวันท่านพึงก็เพราะเดชบารามีของท่านน่ะมันแผ่คลุมเราสติมันตื่นตัวขึ้นมาหมืเพราะเรารู้สึกว่าเราอยู่กับคนที่มีสติเนี่ยเรามาขาดสติแถวนี้ไม่ได้นะหมดคําถามอยู่กับท่านอีกสองอาทิตย์คุณยมสุธิชัยก็ถามมาตรมาว่าพระอาจารย์วันนี้วันสุดท้ายลุงปูเปิดโอกาสให้ถามพระอาจารย์จะถามไหมแต่ลุงปูท่านบอกว่า ให้ถามจากหัวใจอย่าถามคำถามที่ปั้นมาเพื่อจะถามจงทิ้งคำถามโง่ๆซะแล้วใครจะกล้าถามมากลัวงโง่อามันได้เงียบเลยหมดคำถามคุณยมสุดที่ใจหยุ่นกล้าที่จะถามท่านเลก็ด้วยความกล้าที่จะถามท่านจึงได้สารค ด, ดีดีๆมาฉายให้พี่น้องชาวไทยได้ชม เห็นไหมตั้งเก้าตอนนะเพึ่งจบไปก็เป็นสารคดีที่ดีที่สุดชิ้นหนึ่งในชีวิตของคุณยอมสุดที่ชายหยต่นแต่มาภาพเองก็พลอยฟ้าพลอยฝนได้ได้ออกโทรทัศน์กับเขาด้วยนะนั่นนะเห็นไหมแล้วปีที่แล้วเนี่ยแต่มันก็กลับมาเมืองไทยยังมีความสุขและก็ตีทำรรมาสอนตัวเองอยู่คํำหนึ่งก็คือคําว่ารเราจะเดินอยู่บนหนทางที่ถูกต้องอยู่กับท่านสองกันทิดได้ประโยคเดียวแค่เนี้ย เราจะเดินอยู่บนหนทางที่ถูกต้องเพราะเราไปอยู่กับคนที่ถูกต้องแล้วเราก็เห็นว่าชีวิตของท่านมันมีคุณค่าเหลือเกินอะที่ตะมาไปเนี่ยนอกจากจะได้รับเชิญแล้วตมาก็อยากจะรู้ว่าทําไมนะพระเวียดนามรูปหนึ่งจึงสอนธรรมะแล้วคนทั้งโลกยอมรับอาตอมาตั้งเป็นหัวข้อวิจัยเลยนะอาตอมาก็ไปดูว่าหลวงปู่ท่านใช้อะไรเป็นเครื่องลอ่อ มีเหรียญหลวงปู่ทิชนันท์หันรุ่นหนึ่งไะมไม่มีนะ้ก็ไปดูมีจตุคาไ ม, ม่นะก็ไม่มีอีกนะมีตะ ก, กรุดไหยก็ไม่มีท่านเดินออกมาจากกุตเนี่ยเราจะสัมผัสถึงความสงบตั้งแต่ท่วงทีลีลาที่เดินคนเจ็ดแดร้อยเนี่ยพอท่านเดินออกมาทุกคนเงียบโดยไม่ต้องนัดแน ความเงียบจากตัวของท่านน่มันแผ่พลังไปจนคนที่อยู่เบื้องหน้าไม่อาจที่จะทำอะไรเป็นการรบกวนคนอื่นแล้วเวลาท่านเดินไปบนผืนหญ้าเขียวขจีเราก็รู้สึกว่าพลังของสติมันก็แผ่คลุมลงไปบนผืนหญ้าเวลาท่านเทศเวลาท่านสอนเวลาท่านลบกระดานถ้าเราดูทุกสิ่งทุกอย่างเรารู้เลยว่านี่คือการอบร่ำจากการเจริญสติมาทั้งชีวิต แล้วเราก็ตั้งข้อสังเกตว่าท่านก็ใช้ชีวิตแสนจะธรรมดาแต่ทาไม่มีสเสน่ห์แล้วเกินนะฝรั่งแต่ละคนแต่ละคนที่มานี่ไม่ใช่ฝรั่งกระจกนะเป็นฝรั่งที่มีการศึกษาดีทั้งนั้นวันหนึ่งอาตมากําลังล้างจานอยู่กับกับฝรั่งคนหนึ่งเขาก็ถามว่าท่านมาจากไหนอาตมาก็บอกว่ามาจากเมืองไทยแล้วก็บอกเขาด้วยว่าจาถามมากนะตอนนี้อาตมากาลังปฏิบัติแต่ประโยคที่อยากจะพูดก็คือ ภาษาอังกฤษอาตมาไม่ดีแต่เราไม่บอกหรอกเราบอกอาตมากําลังปฏิบัติแล้วเราก็ถามกลับว่าแล้วคุณมาจากไหนเขาก็บอกว่าผมมาจากเยอรมันผมเป็นนายพลเอกแห่งกองทัพนายพลเอกแห่งกองทัพแล้วตอนนี้มาล้างจานอยู่ที่นี่เนี่ยนะครับนี่ถ้าลูกน้องเขารู้ว่าผมกําลังมาล้างจานอยู่ที่นี่นะก็หัวเราะเยอะผมแน่ แล้วทำไมคุณมาในพนคนนี้ก็บอกว่าเพราะว่าผมเอาแต่ทํางานทํางานทํางานทำงานทำงา น, งา น, งานจนกระทั่งภรรยาผมบอกว่าถ้ายังทํางานทํางานทํางานแบบนี้ก็คงต้องเลิกผมก็ไม่อยากจะเลิกเพราะว่ามันเลยโปรโมชั่นมานานแล้วภรรยาก็บอกว่าถ้าไม่อยากเลิกกันคุณก็ต้องเปลี่ยนแล้ววันหนึ่งเขาก็อ่านพบคอสภาวนาของท่านทิชนั้นหันจึงเดินทางมาฝึกเจริญสติ คนจำนวนมากเมื่อไปอยู่กับท่านแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนเพราะอะไรก็เพราะว่าท่านสอนให้เราเจริญสติพอใครมีสติคนคนนั้นจะค้นพบตาน้าแห่งความสุขมันอยู่ในนี้เราทุกคนมีตาน้ำแห่งความสุขอยู่ในตัวนี่นะแต่เราไม่ค่อยรู้หรอกและเพราะเราไม่รู้ไง เราจริงไปฝากความสุขไว้กับอะไรก็ไม่รู้ข้างนอกฝากไว้กับอะไรบ้างมนุษย์เนี่ยจะเอาความสุขไปขึ้นกับยศถ้าอยากมียศทรัพย์อำนาจชื่อเสียงกรรมรมอยากมีทุกอย่างเลยนะอยากมียศอยากมีทรัพย์อยากมีอำนาจอยากมีชื่อเสียงอยากมีกรรมรม แล้วเราก็ได้ใช้เวลาของเราทั้งชีวิตเพื่อสแสวงหาสิ่งนี้เพราะคิดว่าพอมีแล้วมันก็จะให้ผลิตผลเป็นความสุขหารู้ไหมว่าพอมียศแล้วมันยุ่งไหม ย, ยุ่งมากเลยนะพอมียศแล้วเนี่ยเขาไม่เรียกให้ตรงตามยศนะเขาไม่ให้นั่งตามยศนะมาวัดครั้งเดียวกลับเลยอะเพราะอะไรเขาให้ไปนั่งรวมกับคนอื่นอะเขาให้ในพลเนี่ยไปนั่งกับพื้น ทั้งเดียวพอวันนั้นฟังพระเทศไม่รู้เรื่องเลยนะเพราะอะไรท่านในพนไม่ได้นั่งเก้าอี้ในพนนะแห้นั่งกับพื้นเทศไม่รู้ฟังเทศไม่รู้เรื่องเห็นไหมอัตตามันไม่ได้รับการรับรองอะ่ะอัตตามไม่ถูกผนองฉะนั้นมียศในใช่จะสโศกนะมียศแล้วถ้าคนไม่เห็นว่าคุณมียศคุณก็ทุกข์อีกนะมีทรัพย์ถ้าใช้ทรัพย์ไม่เป็นก็ยุ่งนะใช้ทรัพย์ไม่เป็นก็ยุ่งอีกนะ ถ้าใช้ทรัพย์ไม่เป็นเขาก็ยึดทรัพย์เราได้ใช่ไหมบริจาคไม่เป็นเดี๋ยวเร า, เาดึงคืนมาอีกนะเพราะฉะนั้นทรัพย์นี่อันตรายมากไหนะพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเป็นอสราพิษไงที่น้องทะเลาะ ก, กันก็ได้ฆ่ากันก็ได้พระกับลูกสิษย์ทะเลาะกันก็ได้ฆ่ากันก็ได้หรือบางทีลูกเนี่ยฆ่าพ่อฆ่าแม่นะพ่อแม่ตายแล้วเอาเงินประกันได้ไหมได้หมด เจ้าอาวาก็เหมือนกันต้องระวังเหมือนกันนะใครเอาอะไรมาประเคนอย่าจีบนี่แต่มายัางไม่จิบเลยเห็นไหมเนี่ย <laughs> <laughs> มรณะภาพแล้วเงินนะบางทีเจ้าอาวาสมรณะภาพแล้วไม่เผาเก็บไว้ถ้าเจตนาดีก็ดีไปแต่บางทีเจตนาไม่ดีลูกจิตอยากขายครูบาอาจารย์ก่อนหาเงินหาทองจนเพียบแป้แล้วก็เผา อย่างนี้ก็มีนะฉะนั้นยศเนี่ยก็ยังถ้าใช้ไม่เป็นก็ยังไม่ใช่แหล่งของความสุขนะยังไม่ใช่สุขสมุทัยคือยังไม่ใช่แหล่งของความสุขทรัพถ้าใช้ไม่เป็นนะแทนที่จะเป็นที่มาของความสุขเป็นที่มาของความทุกข์หนักหนาสักหนาอกอำนาจละ่ะทำให้ทุกข์ไหมทุกข์มากใครมีอำนาจก็อยากจะใช้อำนาจใช้อำนาจแล้วคนไม่เชื่อฟังอานาจก็อยากจะกระชับอานาจ กระชับทีหนึ่งยุ่งไหมอยากให้กระชับอำนาจไหมยดทับอำนาจแล้วจากนั้นชื่อเสียงมีชื่อเสียงถ้ารู้ไม่ทันน่ะทุกไหมทุกนะเมื่อวันก่อนไปเสวนากับอาจารย์เฉลิมชัยโคสิตธิพัทที่ศูนย์การประชุมแมนชัสุริเกตอาจารย์เฉลิมชัยก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงจริงๆแกก็เป็นคนบ้าคนหนึ่งแหละนะ แต่คนดันเชื่อแกแกก็เลยมีชื่อเสียงวันหนึ่งแกก็ไปเยี่ยมลูกเยี่ยมเมียที่เชียงใหม่ขับรถกับเชียงรายใส่เสื้อหม้อหอบของแกไปตามเรื่องามราวเนี่นะพอมาถึงแถวแม่ขาจารเนี่ยก่อนเข้าเข้าไม่สวยแกก็ปวดปัสสาวะก็จอดรถก็ถาลกขากางเกงปัสสาวะข้างทางเลยตามภาษาแกเนี่ย ทันใดนั้นก็มีรถของนักท่อ ง, งเที่ยวกลุ่มหนึ่งแวะมาจอดใกล้ๆกัๆจืดเลยเฮ้ยเฉลิมชัย <c oughs> อโอ้โหคนระดับนี้ทำไมมายืนปัสสาวะกลางทางอาจารย์เฉลิมชัยนะขออภัยนะแกบอกว่าแกปัสสาวะขาดเลย <c oughs> คนกำลังปัสสาวะอยู่ดีๆ <c oughs> แกหันไปด่าบอกว่าให้กูมีเวลาส่วนตัวบ้างสิ คือปัสสาวะอยู่ยังยกกล้องจะถ่ายอะอะไรกันนักกันหนาใช่ไหยแล้วก็มากระซิบแกว่าพี่ทําไมพี่ยังตลกขากางเก่งปัสสาวะตรงนี้อะแกก็บอกแล้วทําไมทําไมฉันจะทําไม่ได้อะก็พี่มีชื่อเสียงระดับโลกอ่ะแกบอกว่าคนระดับโลกนี่มันไม่ปวดปัสสาวะหรือไง <laughs> แล้วแกก็บอกว่าแกมีชื่อเสียงก็จริงแต่แกไม่เมาสมมุติ แกบอกว่าชื่อเสียงเป็นสิ่งที่คนอื่นมองแกแต่ตัวแกแกใช้ชีวิตธรรมดาเห็นไหมแล้วในโลกนี้มันมีกี่คนที่จะรู้สึกว่าชื่อเสียงเป็นมายาส่วนมากก็นึกว่าชื่อเสียงเป็นของจริงทั้งนั้นใช่ไหมอย่างอาต ม, มากเหมือนกันนะตอนมีชื่อเสียงใหม่ๆเนี่ยอาตมาก็ฟุ้งนะอืมแต่นั่นมันเรื่องเมื่อสิบปีที่แล้ว <laughs> ต้องแก้ข่าวไม่งั้นเดี๋ยวภาพลักษณ์เสียเ <laughs> <laughs> วลาตา ม, มาไปบรรยายอีก มิจฉากรจะแนะนําวันนี้เราโชคดีเหลือเกินเราได้พระที่ร้อยปีจะมีสักรูปหนึ่งมันแค่ประโยคเดียวนี้ทะลุเพดานเลยนะท่านเป็นพระนักเทศนักคิดนักเขียนป ร, ริยนธรรมก็ประโยคเป็นพระที่พูดได้เลยว่ามีชื่อเสียงอันดับต้นๆของเมืองไทยโอ้ ว, วันนั้นเทศสนุกมากเลยในวันนั้นอะ พิธีกรแ น, นะนำดีทีนี้ตอนบ่ายไปอีกงานหนึ่งเอาพวกเราพร้อมแล้วใช่ไหมวันนี้หลวงพี่ท่านก็มาแล้วเอาแล้วไหมล่ะใจมันฟุบะนะเมื่อกี้ไปเทศที่กระทรวงนะ่พิธีกรบอกว่าร้อยปีจะมีพระอย่างนี้สักรูปหนึ่งแต่ที่นี่ให้เกียรติเราเป็นแค่หลวงพี่ มันวันไหวทั้งชีวิตเลยนะหลวงพี่ท่านมีงานเขียนเยอะแต่อย่ากันนั้นเลยผมว่าเราเสียเวลากันมามากแล้วอะ่ะเอาแล้วแม่ล่ะมันจะแนะนําสักเล่มก็ไม่ได้นะชัดเขียนไว้ตั้งเยอะนะเป็นละครก็มีเนอะมันหักดิโพะเลยนะวันนั้นเทศไม่สนุกอ่ะ <laughs> ทีนี้ไปอีกงานหนึ่งไปเทศที่อเมริกา วันนี้เนี่ยเราได้พระที่มีชื่อเสียงถึงแม้ว่าจะไม่โด่งดังเท่าท่านพุทธทาสในอดีตมีชื่อเสียงมันก็ถูกต้องแล้วจะไปเทียบกับท่านพุทธทาสทำไมมันทร่บอีกแล้วนะนท่านก็สำเร็จการศึกษามาจากหลายมหาวิทยาลัยพูดแค่นี้นะแล้วไม่เดียวบอกไม่ได้บอกว่า ปริญญาอะไรบ้างนะใจอตรมามันบอกว่าปริญญาเก้าไหมกิเลสมันกระซิบนะปริญญาเก้าวัดพุทธศาสมหาบัณฑิตด้วยคระบปราก็ว่าพิธีกรไม่พูดพูดแค่ว่าท่านสมเด็จการศึกษามาจากหลายมหาวิทยาลัยท่านเป็นพระนักเทศในใจมันบอกนักคิดด้วยสิไลจยังกระซิบอีกนะนักพัฒนาด้วย คุณยมดูสิพอเราไปสร้างก้อนสมมุติขึ้นมาก้อนหนึ่งนะเอาไว้เป็นสปปรพพคุณของชีวิตเรานะถ้าคนไม่เห็นถูกไหมถูกเนี่ยกว่าเราจะสลัดสมมุติได้เนะี่ยมันไม่ใช่ง่ายนะช่วงนั้นเป็นช่วงที่แตมาเข้าวงการใหม่ๆไงเห็นแสงแฟลชวูบวาลืมไปว่าเราในพระไม่ใช่ดาราบางทีเราก็เผลอคิดว่าดึงเป็นซุปตาร์ รู้จักไหมซุปตาซุปตาร์เนรู้จักไหมเออถ้าไม่รู้จักต้องไปดูเรืบ่บำดวงดาวนะอืมเนี่ยมีชื่อมีเสียงอย่าไปคิดว่าสุขนะถ้ารู้ไม่เท่าไม่ทันเนี่ยวันไหนแสงแห่งสปอร์ไลท์มันไม่จับทุกไหมถูกอีกแต่ทุกวันนี้แตามาสบายแล้วแตามามีความสุขเพราะอะไรเรารู้เท่ารู้ทันมันเราก็ปล่อยได้วางได้อยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ เข้าห้องน้ําก็เปิดห้องน้ําเองปัสสาวะอุจจาราะเองทําเองหมดนะไม่ต้องให้ใครมาทําแทนนะดูดูล ก, กลับมาเป็นมนุษย์ได้นะะแต่คนยอมเชื่อไหมบางคนมีชื่อเสียงกลับมาเป็นมนุษย์ไม่ได้นะเชื่อไหมทําทุกอย่างผิดจากความเป็นมนุษย์หมดเลยเพราะอะไรเพราะเขามีชื่อเสียงแล้วเขาต้องมีชีวิตอีกระดับหนึ่งและดังนั้นเขาจึงมีทุกข์อีกระดับหนึ่ง<ๆ>เขาจะมีทุกข์ประว่าหาอยู่หากินนะ เงินทองอะไรเขาพร้อมหมดแต่เขาจะทุกข์แบบไหนเขาทุกข์เพราะไม่มีคนเห็นทุกข์ไหมอย่างเงี้ยทุกข์ไหมทุกข์เพราะไม่มีกินไปกินมันก็หายทุกข์ใช่ไหมแต่ทุกข์เพราะไม่มีคนเห็นน่ะเราไปงานแล้วไม่มีใครทักเลยเนี่ยทุกข์ไหมทักแล้วแต่ทักไม่ครบอย่างเงี้ยนะทุกข์ไหมทักครบแล้วแต่ว่าให้เราต่ํากว่าคนอื่นอย่างเงี้ยทุกข์ไหมทุกหมดนะดังนั้น มนุษย์ก็ติดอย่างนี้นะยศทรัพย์อำนาจชื่อเสียงจากนั้นก็ไปติดในไหนอีกก า, ารมรมการมรมทุกวันนี้มนุษย์เราติดกรารมารมกันมากนะจึงมีปัญหามีปัญหาว่าต้องมาตรวจดีอนเอกันให้ดูดำดูแดงไปนี่มันเรื่องของกรารมารมนะใช่ไหมที่วัดอาตมา ก, ก็มีปัญหาอย่างนี้ เขาจะมาเลี้ยงหมาไว้สีนะ่ตัวนะตัวแรกชอบรับแขกมากจึงตั้งชื่อเขาว่าซูปเปอร์สตาร์เดี๋ยวนี้เรียกสั้นๆตามละครฮ็ดว่าซุปตาหมามันก็ชอบนะตัวที่สองโยมถวายมาในช่วงที่โอบามากาลังหาเสียงเพื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจึงตั้งชื่อเขาว่าโอบามา <laughs> ด้วยความชื่นชม ตัวที่สามไปเทศที่เชียงใหม่แล้วโยมเอามาติดกันเทศอาตมานี่ประหลาดมากเลยนะว่าหลังจะต้องเทศเรื่องประหลาดสักกันหนึ่งนะคือคือโยมเอามามาติดกันเทศนะโยมอืมรู้ว่าอาตมาชอบสัตว์นะชอบสัตว์เลี้ยงยเอาหมามาติดกันเทศตัวแคเนี้ได้มาใหม่ๆเนี่ยอาตมาถามชื่ออะไรโยมโยมก็บอกเขาชื่อพิงกี้ น่ารักเจอนะอาตมาอุ้มกลับวัดเลยนะเลี้ยงไปสักพักหนึ่งแล้วอาตมามีเหตุให้ต้องไปอเมริกาเดือนหนึ่งนะกลับมามาถึงวัดกิ้หาพ่อสิลกูกมันไม่หันแลยมันไม่มองหาเลยนะมันเงียบเราก็คิดว่าไอ้หมามันงอนหรือเปล่านะเราไปเมืองนอกแนละ้วไม่บอกเขาเรียกยังไงมันก็ไม่วิ่งมาสักพักหนึ่งพี่สาวเดินมาบอกว่า เรียกอย่างนั้นเขาไม่มาหรอกต้องเรียกชื่อใหม่เอาแล้วใครมาเปลี่ยนพี่สาวก็บอกว่าพี่อย่าเปลี่ยนเองทําไมอ่ะ <c oughs> ก็หมามันมีอยู่แล้วตั้งสองตัวแล้วตัวหนึ่งก็ซูปเปอร์สตาร์ตัวหนึ่งก็โอบามาข อ, อ <c oughs> ชื่อให้มันฟังดูเชิงรายเชิงรายสักชื่อเถอะ <c oughs> รู้ไหมพี่เปลี่ยนเป็นอะไรพี่เปลี่ยนเป็นจันทฟอง จันฟองก็คือจันเพนไงพี่เปลี่ยนชื่อเป็นจันฟองแล้วเจ้าจันฟองนี่มีปัญหานะเพราะอะไรเพราะว่าเขาอยู่ท่ามกลางหมาอีกสามตัวตัวสุดท้ายก็คือโจโฉอ่าเป็นลูกของโอบามาตัวนี้ได้มาเพราะว่าแตามาเตรียมทําวิจัยเพื่อจะไปเมืองจีนก็อ่านสามก๊กเยอะไงโจโฉนี่มันแหมเจ้าเล่เจ้ากนแล้วเกิดามาตั้งเป็นชื่อหมาแล้วกันตั้งชื่อว่าโจโฉ ทีนี้พอมันอยู่กันมาอย่างเนี้ยซูปเปอร์สตาร์โอบามาโจโฉอยู่กันไปอยู่กันมาจันฟองท้อง <laughs> <laughs> เลยมีปัญหาเลยนะคลอดออกมาอาดมายังไม่เห็นนะตอนเนี้ยลึกเข้าไปอยู่ในใต้ถุนกุติไม่ยอมเอาลูกออกมาโชว์โลกภายนอกมีหกตัวอาดามาก็เลยถามลูกศิษย์ว่า เราจะรู้ได้ยังไงว่าหมาตัวไหนเป็นพ่อของลูกของจันฟองลูกศิษย์บอกตรวจดี a อเอเมื่ออาทิ่ก่อนนีิยมมาหาเห็นอาตมาออกรายการพลรทัศเห็นพระอาจารย์มีชื่อเสียงคิดว่าต้องมีของดีอย่าว่างั้นนี้เลยขอเจ๋งๆสักสองตัวอาตมาบอกอาตมาให้หกเลย ใต้ถุนกุฏิอะ <laughs> <laughs> นี่แม้แต่หมายังมีปัญหาเรื่องกามาดรอมนะอาตมาอยู่กับหมาอาตมาสังเกตตลอดนะถ้าถ้าตัวไหนมาใกล้อาตมาอีกสองสามตัวมีปัญหาทันทีเของงองแงงกันนะมสมมติสมมติว่าซูเปอร์สตาร์มาใกล้อาตมานะโอบามากระโดดงับเลยเราเห็นชัดเลยว่าโอ้นี่จริตหมามันเป็นอย่างนี้ คือมันแย่งกันเพื่อที่จะเสนอหน้ามาหาเราไงมาอยู่ใกล้ๆเราส่วนซูปเปอร์สตาร์นั้นยิ่งหนักเลยนะมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยตรมภาพกำลังจะให้สัมภาษณ์ทางช่องเจ็ดเก้าอีออ้มาตั้งพอตั้งปุ๊บมันกระโดดขึ้นนั่งเลย <_ lan ul is> ก็เลยได้รูปรูปหนึ่งตอนนี้เอาไปโยนไว้ใน Facebook. เฟซบุ๊กเขียนแปะใต้ใเก้าอี้ว่าอย่ายึดติดเก้าอี้นะครับ <m> บางครั้งให้หมามันนั่งก็ได้ <_ l is> เห็นไหมคุณม แล้วครั้งหนึ่งอาตภาพกำลังบันทึกรายการโทรทัศน์สื่อกำลังสัมภาษณ์วันวิสาขาบูชาสักพักหนึ่งหมามันวิ่งเล่นกันเข้ามาแล้วก็วิ่งพุดเลยมันสะดุดสายไมโครโฟนแบบเนี้ยหลุดจากมือพิธีกรเลยโอ้โหตากล้องวิ่งสวนเข้ามาเลยหมาใครวะ <c oughs> <c oughs> อตาตมาก็บอก มาแตมาเองพัาหารมายกมืองั้นเหรอครับเอาเป็นว่าเราตัดเขาโฆษณ า, าเดี๋ยวถ่ายต่อนะนี่เห็นไหมฉลาดไหมฉลาดนะเนี่ยเพราะฉะนั้นแม้แต่สัตยังมีปัญหาเรื่องการมารมณ์จึงไม่ต้องพูดถึงคนว่าจะมีปัญหาหรือไม่ใช่ไหมมันต์ก็คิดอย่างนี้อยากจะมีความสุขแล้วก็คิดว่าความสุขต้องเกิดจากยศทรัพย์อานาจ ชื่อเสียงและกรมารมณ์อตมาไม่ปฏิเสธว่ายศทรั์อำนาจชื่อเสียงและกรมารมณ์ก่อให้เกิดความสุขแต่มันเป็นความสุขเคลือบแฝงเคลือบแฝงยังไงก็เปรียบเสมือนน้าพึ่งบนคมมีดโกนนึกภาพออกไหมท่านนึกภาพไม่ออกที่ยุวพุธพอจะมีน้าพึ่งอยู่มีดโกนไปซื้องนอกจะให้คุณอนุรถเอาน้ำพึ่งมาเทใส่มีดโกน นะใครนึกภาพไม่ออกว่าน้ำพึ่งบนคอมมิโกนมันอันตรายยังไงเอาลิ้นเลียดูดิ <laughs> <laughs> นั่นแหละคือสุกสุกที่อิงอามิตรภาษาพระเรียกว่าสาวมิตรสุกคือสุกที่เกิดจากการวางเงื่อนไขอ่ะมันสุกนะแต่มันทุกได้ไหมมันทุกได้นะอย่างคุณโยมทั้งหลายนี่มีครอบครัวกันเนี่ย ตอนจีบกันก็คิดว่าโอ้โหคนคนนี้แหละใช่เลยใช่คนที่ฉันตามหามาตลอดทุกพบทุกชาติเป็นโซเมตคู่แท้ทางจิตวิ ญ, ญญาณพอแต่งไปสักพักหนึ่งจากโซเมตคู่แท้ทางจิตวิ ญ, ญญาณกลายเป็นรูมเมต <c oughs> แค่เพื่อนร่วมห้องเท่านั้นเองก <c oughs> ็ทําไมคนที่เคยทําให้เรามีความสุขอะ่ะนะ คนที่เคยทำให้เรามีความสุขแล้วทำไมวันหนึ่งทำให้เรามีความทุกข์ขนาดอยู่ใกล้ๆเธอเนึ่ยยังบอกเลยว่าลมพัดมานะยังไม่เย็นเท่าดวงตาของเธอทอดมองพี่ช่วงก่อนโปรโมชั่นเชื่อไหมคนที่ทำให้เรามีความสุขวันหนึ่งถ้ามันเปลี่ยนคุณภาพไปกลายเป็นคนที่ทำให้เรามีความทุกข์รักมากก็ทำให้ทุกมากได้ใช่ไหม ห่วงมากก็ทำให้แค้นมากใช่ไหมด้าสูญเสียไปนี่คือคือรูปแบบของความสุขแบบถูกวางกันไขอ่ะฉะนั้นยศซับอำนาจชื่อเสียงกรรมรมเหล่านี้มันทำให้เรามีความสุขก็จริงนะแต่ถ้าเรารู้ไม่เท่าไม่ทันวันหนึ่งมันจะทำให้เราทุกข์แต่ถ้าเรารู้เท่ารู้ทันนะถ้าเรามียศเราก็แสดงตนให้สมกับยศที่เรามี มุมไหนจุดไหนสถานที่ไหนที่เขาโยกย่องคนไม่ยดเราก็แอคให้เขาดูว่าเราเป็นนายพลนะแต่ถ้าเราไปบางจุดบางที่บางแห่งซึ่งไม่มีใครรู้จักเราเลยเราก็ทำตัวตามธรรมดาใช่ไหมถ้าเรามีทรัพย์ใช้ทาบุญสุนทานอย่างเงี้ยนะเช่นพระกำลังสร้างอาคารที่ปัสนาอยู่แล้วยังไม่เสร็จเนี้ยก็ต้องคิดดูสิจะใช้ทรัพย์ยังไง เนี่ยมีทรัพย์ถ้าใช้ทรัพย์ให้เป็นเปลี่ยนเงินเป็นบุญเปลี่ยนทุนเป็นธรรมเหมือนวอร์เรนบัฟเฟตต์เขาทำไงเหมือนบิลเกตเขาทําไงเขาชวนมหาเศรษฐีทั่วโลกเลยตั้งกองทุนกิ๊ฟฟิ้งเพลจขึ้นมาแล้วก็บริจาคทรัพย์สินของตัวเองช่วยเหลือเกื้อกูลชาวโลกเงินก็เปลี่ยนเป็นความรักความเคารพนับถือจากคนทั่วโลกได้คุณยัมีเงินร้อยล้านนะคุณยมฝากธนาคารไว้ และนุ่งเจียมห่มเจียมไม่มีใครรู้จักคุณอ่ะวันหนึ่งคุณก็ตายไปทิ้งเงินไว้ให้ลูก ใ, ให้หลานแย่งกันหัวร้างข้างแตกกับคุณยอมมีเงินห้า0มืนเนะแบ่งสักหนึ่งพันบริจาคแล้วพระท่านก็เขียนชื่อแปะไว้หน้าต่างบ้านนี้คุณยอมคนนี้เป็นเจ้าภาพหนึ่งพันนั่นแหละประกาศเกียรติคุณไปทั้งชีวิตนะกับบางคนมีแสนล้านแต่ไม่แบ่งใครสักคนนะ พอตายไปเงินนั้นไม่เกิดประโยชน์สักอย่างเลยเพราะเงินมันคือก้อนอุปท า, านไงคุณไม่เอาไปสร้างประโยชน์มันก็ไม่มีประโยชน์หรอกใช่ไหมทีนี้อำนาจละ่ะถ้าใช้ให้เป็นนะพระเจ้าอโศทงมหาราชเคยใช้อำนาจเป็นสั่งทรรมศิลาจรึกและในนั้นเขียนอักษรธรรม อธิบายขยายความธรรมะของพระพุทธเจ้าไปปักไว้แปดหมืนสี่พันแห่งทั่วอินเดียตอนนี้พระพุทธศาสนาฟื้นคืนกลับมาเพราะอะไรเพราะว่ามีฝรั่งไปค้นศิลาจรึกพบแล้วก็ขุดค้นต่อในที่สุดพระพุทธศาสนาหายไปแปดร้อยปีนะฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาเพราะอะไรเพราะามีศิลาจรึก ข, ของพระเจ้าศกเป็นหลักฐานเห็นไหมท่านมีอำนาจ แล้วทชวนคนทั้งจมูทวิปเลยมาปฏิบัติธรรมกับท่านนี่เรียกว่าใช้อำนาจเพื่อทำเป็นการใช้อำนาจที่ถูกต้องแต่ถ้าเรามีอำนาจแล้วเราใช้อำนาจไม่เป็นนะก็ไปสั่งฆ่าคนโน้นสั่งฆ่าคนนี้รังแกคนโน้นรังแกคนนี้เพื่อนมนุษย์ก็ต้องมาบาดเจ็บล้มตายเพราะคมแห่งอำนาจของเราถ้าเรามีชื่อเสียงถ้าใช้ให้เป็นนะ จะเป็นประโยชน์มากแต่ถ้าเราใช้ไม่เป็นพอเรามีชื่อเสียงเราก็ทําเพื่อตัวเองลุน้ลนๆใช่ไหมทําเพื่อตัวเองลุน้ลนๆเลยไปอาบน้ำโชว์บ้างไปร้องเพลงโชว์บ้างเนี่ยได้เงินได้ทองเยอะแยะออกงาน อ, อานีเวนต์กันไม่หวาดไม่ไหวใช่ไหมแล้วมันหนึ่งพอชื่อเสียงมันลงชีวิตมันก็จบแค่นั้นอนะ่ะมันไม่มีคุณค่าแต่มภ่อั ม, มีลูกศิษย์คนหนึ่งไปประกวดมิสทีนมิสทีนไทยแลนด์นะ ลุงศิษย์คนนี้เป็นคนที่ไม่ไมเคยใฝฝันมาก่อนว่าจะไปประกวดมิสทีนเป็นคนที่มีศีลมีสัตว์ปฏิบัติธรรมอยู่แค่ม4เองไปส่งพี่สาวไปประกวดมิสทีนแต่ไม่รู้จับพัดจะบผูยังไงตัวเองได้เข้ารอบแทนพี่สาวสงสัยเพราะอ่านนิสสงมานั่งสมาธิที่ยุวพุทธนะยังได้มิสหน้าใสด้วยนะ กองประกวดถามว่าคุณน้องคะคุณน้องมีดาราในดวงใจไหมเด็กคนนี้นึกไม่ออกเลยะเพราะในชีวิตไม่เคยไม่เคยฝันว่าจะเข้าสู่วงการบันเทิงในชีวิตตั้งแต่นึกออกก็สนใจแต่หนังสือวิทยาศาสตร์และการปฏิบัติธรรมหนังสือเล่มล่าสุดที่อ่านคือคู่มือมนุษย์เนี้ยพอกองประกวดถามมารู้จักดาราสักคนไหมที่จะเป็นดีไอโดลของหนูอ่ะไม่รู้จัก หนู้าตอบคนอื่นได้ไหมคะพี่ใครอ่ะไอ้ซ็คนิวตันและท่านวอร์ปรกากฏเมื่อผ่านเข้าไปรอบ50คนเพราะคำตอบประหลาดๆอย่างเงี้ยเห็นไหมพอเข้ารบลึกลูกสิษ์ก็โทรมาถามพระอาจารย์หนูไม่อยากจะเป็นเลยอ่ะหนูกลัวจะได้เป็นมิสเีนนแสัก็ประเมินตัวเองสูงมากเลยนะ เนี่ยหนูหนูไม่เคยคิดเลยว่าจะมาประกวดอะไม่รู้จะต้องทํายังไงเพราะว่าพี่เขาให้พอสท่าถ่ายรูปหนูก็ทําไม่เป็นแข็งเป็นท่อนไม้เลยอะ <S <S <ๆ>่ะเขาบอกให้แอปหน่อยก็ได้หนูยังไม่รู้ว่าแอบเขาต้องทํากันยังไงอาตมาก็เลยบอกนะลูกในไหนลูกก็มาถึงตรงนี้แล้วไงลูกสนใจธรรมะสนใจปฏิบัติธรรมมีความฝันอยากจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ของโลกแต่ถ้าลูกได้เป็นมิสทีนขึ้นมานะลูกมีชื่อมีเสียง พระอาจารย์จะบอกให้ชวนเด็กไทยมาอ่านหนังสือสิเด็กไทยอ่านหนังสือปีละแปดบรรทัดอ่ะเนี่ยถึงได้ดักดานทั้งชาติไงี้ลูก <c oughs> อันนี้พูดในโทรศัพท์นอะ <c oughs> และจากนั้นนะลูกลูกชอบไปนั่งสมาธิใช่ไหมลูกไปยูว่าพูดบ่อยเนี่ยลูกพูดเพิ่มอีกที่หนึ่งได้ไหมอ่ะสูนิพพ์ศสนาเมืองไทยดีดีอ่ะลูกพูดไปสิ <c oughs> เพิ่มอีกสักสี่ห้าที่นะเอาวัยรุ่นมาปฏิบัติทําให้หมดเลย ได้ัมยลูกเขาก็เลยบอกว่าพระอาจารย์ถ้าด้วยเหตุผลนี้หนูยินดีเสียสละตัวเองเป็นมิสทินตัดสินใจลุยไปเลยเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าถ้าได้เป็นมิสทินแล้วจะชักชวนวัยรุ่นมาสนใจธรรมะให้หมดเลยคุณยอมเชื่อไหมด้วยกุศลแลกิจอย่างเนี้ย ถทะลูจะลวงถึงรอบ15คนสุดท้ายคิดดูแล้วกันถ้าตั้งใจจะเป็นมาตั้งแต่ต้นนะแต่มาคิดว่ามิสตีนยังน้อยไปสามารถไปได้ไกลกว่า น, นี้เพราะความสามารถพิเศษคืออะไรคนยอมรู้ไหมน้องก็บอกว่าท่านหนูเข้ารอบลึกๆเนะถ้าพี่เขาถามว่าหนูทำอะไรพิเศษได้บ้างหนูจะบอกกองประกวดว่าหนูสามารถต่อสายคุยกับท่านวอได้ <laughs> อาตมาก็ถามลูกแล้วมันจะเป็นผลดีต่อการประกวดของลูกไหมกองประกวดเขาจะโชว์ขาอ่อนแล้วพระเนี่ยนะโอนอินเข้าไปเนี่ยนะเ <c oughs> น, นเห็นไหมอาตมาก็เลยคิดว่านี่ไงถ้าใครสักคนหนึ่งซึ่งมีชื่อเสียงแล้วเปลี่ยนความดังมาสร้างความดีคุณโยมว่าจะช่วยอะไรได้เยอะไหมประเทศจะพลิกไปอีกทางหนึ่งเลยนะในต่างประเทศเขาทานะ a n g e จล n a าจ l i e ี่เนี่ยรับเป็นทูตให้กับองค์การสหรประชาชาติไปที่ไหนสื่อแห่ไปทำข่าวเพราะสื่อแห่ไปทำข่าวเธอก็บอกว่ามาช่วยกันดูแลเด็กที่ถูกทอดทิ้งกันเถอะเด็กของเราอย่างอีกเป็นล้านคนเลยที่ไม่กินไม่อิ่มนอนไม่อุ่นใครที่เป็นแฟนคลับ a อ g เจล n นาจ l ร e ี่มาช่วยหนูนะคะปีหน้าที่กัมพูชาปีถัดไปที่เมืองไทยค่ะที่รัฐประสงค์เจอกันแน่เห็นไหม เขาเปลี่ยนความดังมาสร้างความดีตอนนี้เป็นทูตสันติภาพโลกเลโอนารโดเดคาริโอรณรงค์เรื่องภาวะโลกร้อนสร้างหนังสารคดีขึ้นมาจนคนสนใจทั่วโลกบริชช์เกียตอนนี้เวลาเล่นหนังแต่ละเรื่องเนี่ยเขาจะสวมลูกประคำคุณยมเห็นไหมเขาสวมลูกประคำแล้วเขาเป็นโคศกให้กับองค์ด า, ลายลามะฉะนั้นทุกครั้งที่องค์ดาล า, ลามะจเทศเนี่ย เมื่อปีก่อนนู้นะปี5 50นะแต่มาเคยแว บ, บเข้าไปฟังองค์ดัลลาลามาเทศที่ชิคาโกอาดัมาอยากจะรู้ว่าทำไมคนเป็นหมื่นๆ ม, นนะมาฟังท่านเต็มสนามฟุตบอลนะมาได้ยังไงอ่ะแล้วก็อยากจะรู้อ๋อพอเราเข้าไปปรากฏว่า 5,000 แรกเนะี่ยมาดูริชาร์ดเก่ <laughs> อีก 5,000 นะมาฟังเทศแต่เมื่อฟังจบแล้ว คนที่เป็นซูปเปอร์สตาร์แทนริชาร์ดเกียร์คือองค์ดาลไลลามะเพราะเขาได้ดวงตางเห็นธรรมกันแล้วนี่คนเหล่า น, นี้เปลี่ยนความดังแล้วมาสร้างความดีฉะนั้นถ้ามีชื่อมีเสียงแล้วใช้เป็นอย่างนี้นะคุณยอมว่าซูปเปอร์สตาร์จะมีประโยชน์ไหมจะมีประโยชน์เหลือกเกินนอกจากนั้นก็ยังมีอีกหลายคนนะเช่นแทเกอร์บูดตอนนี้ถ้าเขาลงลงสนามเนะี่ยเขาตีกอล์ฟ ก็จะเห็นว่าบางทีมีลูกประคำอยู่ที่แขนนะเห็นไหมบางทีก็มีได้ข้อมือถ้าเห็นที่คอห้อยพระแก้วมารากตนะน่าชื่นใจไหมน่าชื่นใจนะต้องถามด้วยว่าใครส่งไปให้เขานั่นนะ่ะพระอาจารย์เพิ่งฝากพระแก้วมารากตไปให้สององค์ก่อนนั้นเขาคอห้อยหลวงพ่อทวดเดี๋ยวเวลาเขาตีกอล์ฟมันหนักทําให้เขาเซเสียการทรงตัว คุณแม่ก็มาเล่าให้ฟังอัตมาเลยบอกว่างั้นเปลี่ยนเนื้หนึ่งนะพระอาจารย์ขอให้พระแก้วองค์เล็กๆก็แล้วกันแล้วก็ให้ได้ข้อมือไปด้วยตอนนี้เทเกอร์บุลดลงไตรกอฟเขามีได้ข้อมือได้ใส่สินนะลงไปด้วยทุกครั้งเพราะฉะนั้นในอนาคตถ้าเกิดว่าเขาตีคอฟแล้วกลับมาชนะนะอัตมาคิดว่าในอนาคตเนี่ยอัตมาจะมาเห้แล้วเทเกอร์บุดหี้วยามนะใช่ไหมน่าสนใจไหมแบบเนี้ยเนี่ย คือถ้าคนมีชื่อเสียงทั้งหลายเปลี่ยนความดังมาสร้างความดีโลกเราจะพลิกโฉมหน้าไปอีกทางหนึ่งเลยทีเดียวเหมือนช่วงที่เฮติประสบแผ่นเดนไหวเนี่ยประสบอุบัติภัยแผ่นเดนไหวกลุ่มของคุณกะละแมกลุ่มของคุณวุฒิและก็ผู้จัดการของคุณวุีิคุณส้มตลอดจนถึงดาราช่องสามอีกสิบกว่าคนนะจัดคอนเสิร์ต ท, ที่เวิลด์เทรดเซ็นเตอร์พระอาจารย์ก็ไปร่วมน้องฟิล์มก็ไปร่วมเยอะแยะ คุณยอมเชื่อไหมว่าจากการที่คนดังแต่ละคนแต่ละคนแต่ละค น, ะคนไปขึ้นเวทีคอนเสิร์ตด้วยกันนี่ยคนอื่นก็ไปขึ้นร้องเพลงนะเพราะจานนี้ขึ้นไปเทศนิดเดียวแล้วก็รีบลงเลยครั้งนั้นได้เงินไปช่วยเฮติเท่าไหร่คุณยอมรู้ไหมร้อยห้าสิบล้านบาทคิดดูแล้วกันเราต้องโทอพระป่ากันอีกครั้งจะได้สาลาสักหลังหนึ่งแต่คนที่มีชื่อเสียงพูดหนึ่งครั้งดังไปทั่วประเทศ นักเมืองไทยได้รับการชื่นชมมากว่าเราช่วยชาวโลกได้เป็นอย่างดีจนตอนนี้มีการสำรวจออกมาล่าสุดเขาบอกว่าประเทศที่มีการให้สูงติดอันดับหนึ่งสองสามสี่ห้าของโลกคุณยอมรู้ไหมข่าวที่น่าชื่นใจคือประเทศไทยบริจาคเป็นอันดับสามของโลกน่าชื่นใจไหมนี่แหละท่ามกลางข่าวร้ายเราก็ยังมีข่าวดี ดังนั้นถ้าใครมีชื่อเสียงแล้วชักชวนคนเก่งคนดีคนมีชื่อเสียงทั้งหลายหันมาหาทางธรรมะจะมีคนดีเพิ่มขึ้นอย่างมหาหลานจากชื่อเสียงของเราซึ่งเป็นเพียงสิ่งสมมติและกรรมรมล่ะกรรมรมมีประโยชน์ไหมกรมมรมมีประโยชน์นะถ้ากรรมรมไม่มีประโยชน์เราทุกคนจะได้มานั่งอยู่ตรงนี้ไหมมีใครคลอดออกมาจากท่อพีวีซีบ้างไม่ต้องมีพ่อไม่ต้องมีแม่มีไหมไม่มีหรอก ฉะนั้นกรรมรมก็มีคุณเขาเรียกว่ากรรมมะคุณคุณของกรรมแต่ถ้าเราหมกมุ่นจนเกินไปทำให้เราเดินเนือร้อนใจได้ไหมมากเกินไปก็ไม่ดีฉะนั้นยศทรัพย์อำนาจกรมรมรมชื่อเสียงใช้เป็นก็เป็นคุณใช้ไม่เป็นก็เป็นโทษถ้าใช้เป็นมันเป็นคุณยังไงมันเป็นที่มาของความสุข ใช้ไม่เป็นมันเป็นยังไงมันก็เป็นที่มาของความทุกข์นี่เรียกว่าความสุขที่ถูกวางเงื่อนไขที่นี่มีความสุขอีกแบบหนึ่งเป็นความสุขที่ไม่ถูกวางเง่อนไขก็เหมือนเรื่องที่ธรรมม า, ภาพภเพื่อนไว้แต่ตอนต้นว่าธรรมาไปอยู่กับท่านทิชนัน้นท์ฮัลแล้วเราก็สังเกตดูว่าท่านก็ดูธรรมดาธรรมดาแต่ทําไมเวลาเราไปอยู่ใกล้เราจึงรู้สึกได้ถึงพลังแห่งความสุขของท่านอายุแปดสิบห้าแล้วยังพองยังกับคนอายุสามสิบต้นๆน่ะ พระธรรได้สังเกตท่านแล้วโชคดีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าตอนไปอยู่กับท่านเนี่ยท่านมีวัดอยู่สี่แห่งในฝรั่งเศสวัดทุกแห่งของท่านท่านก็จะมีกุฏิเล็กๆของท่านนะถ้าอาจารย์โชคดีมากที่หลวงปู่เปิดกุฏิให้เขาเยี่ยมชมทุกกุฏิเลยนะคุณโยมเคยได้ไปเยี่ยมชมกุฏิพระไหมอยากเยี่ยมไหมถ้าอยากจะเก็บค่าเขาชม ลุงปู่เปิดกุฏิให้ตะมาเข้าไปเยี่ยมชมกุฏิท่านเนื่องจากเราไปแบบนักศึกษานะท่านก็เลยให้เยี่ยมให้ชมมีแต่ความเรียบง่ายอยู่ในกุฏิของท่านสมบัติหากจะมีก็เพียงแต่หนังสือและพุ ก, กันจีนซึ่งท่านเอาไว้ใช้เขียนปริศนาธรรมอยู่เรียบง่ายมากนั่นแสดงว่าอะไรแสดงว่าชีวิตของคนที่ขึ้นต่อวัตถุน้อยถึงน้อยที่สุดแต่กลับมีความสุขสูงถึงสูงที่สุด พวกเราอยากเป็นไหมพวกเรานี้มองไปทางไหนวัตถุล้อมหน้าล้อมหลังเต็มไปหมดนะอาตมาเคยบอกลูกศิษย์ที่ไปปฏิบัติวิปัสสนากับอัตมานะพอไปถึงปับนะ๊บเนี่ยอัตมาบอกว่าเราจะสมาทานสินแปดนะเพราะฉะนั้นให้วางทุกอย่างไม่มีการตกแต่งประดับประดาเครื่องโทรศัพท์บีบีทุกอย่างวางหมดอาตมาสังเกตดูนะ โยมบางคนนะ่ะเริ่มถอดโน่นถอดนี่ถอดโน่นถอดนีดน่เอาวางนี่กองพูนขนาดนี้เลยสูงเป็นศอกเลยนะสมบัตินะ่ะอาตมา ถ, ถามว่าพวกนี้เอาออกมาจากไหนจากตัวโยมนี่แหละค่ะทําไมมันเยอะขนาดนั้นตั้งแต่กิฟนี้ผมลงไปจนถึงถท้าค่ะคนโยมถอดวางนี่สูงเป็นศอกเลยแล้วเขาก็ถามอาตมาว่าพระอาจารย์ศีลแปด น, นี่มันมีอณนนิสงขนาดนี้เลยหรือคะอยังไงโยม ก็มันสามารถเอาสมบัติออกจากตัวโยมได้ขนาดนี้ในชีวิตไม่เคยรียดอะไรออกมากองได้ขนาดนี้ประดับตกแต่งทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเราก็คิดว่ามีความสุขมันก็สุขจริงนะแต่ถ้าวัตถุเหล่านั้นไม่มีทุกไหมลูกศิษย์อาตมาภาพคนหนึ่งก็ไปปฏิบัติธรรมแบบนี้แหละไปอาบน้ำถอดซ้อยออกจากคออาบเสร็จกลับมาแต่งเนื้อแต่งตัว นึกขึ้นมาได้ว่าถอดสร้อยไว้ไปดูห้องน้ำสร้อยหายนั่งสมาธิไม่รู้เรื่องอยู่สองวันอา <c oughs> ตมาถามว่าถ้าโยมมีสร้อยโยมจะมีความสุขไหมมากเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> ผู้แฟนซื้อให้ถ้ากลับไปแล้วไม่มีสร้อ ย, ยนะ <c oughs> พระอาจารย์โยมโยมไม่อยากกลับเลยอะ ไม่รู้จะไปตอบเขายังไงอาตมาก็เลยบอกว่าโยมเจ้าหน้าที่ของอาตมาเขาเก็บไว้ให้เท่านั้นเองนะความสุขทอประกายมาเลยและหลังจากนั้นนั่งสมาธิรู้เรื่องจิต ด, ดีมากเลยคุณรู้ไหมว่าคุณเพลอะเอาความสุขไปฝากไว้กับวัตถุตั้งแต่เมื่อไหร่ถ้าไม่เกิดเหตุอย่างนี้จะรู้ไหมไม่รู้ เนี่ยเรานั่งอยู่เนี่ยเราบอกโอ้ชีวิตฉันมันมีความสุขมากมันคลื้มอกเคลิ้มใจคำถามก็คือที่บอกว่าสุขสุขสุขอยู่นี่สุขด้วยตัวเองหรือว่าสุขเพราะถูกวางเงินไขดิฉันชอบปฏิบัติธรรมชอบนั่งสมาธิทุกวันได้มีความสุขมากนะทําให้สุขมากก็เพราะเพราะว่าเดินทางมาปฏิบัติธรรมก็นั่งรถเบนซ์มาสุขมากเลยนะที่บ้านก็มีบ้านหลังใหญ่ก็สุขมากเลย มีกี่คนที่รู้ว่าที่เราสุขอยู่ทุกวันนี้เป็นการสุขแบบวางเงินไข่พอเราไปปฏิบัติธรรมให้วางสมบัติทั้งหมดโทรศัพท์ที่เคยใช้เป็น อ, ว, อวัยวะที่สามยึดสามก็อันตรายยึดหมดนะยึดหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยบางคนชวนเพื่อนไปสิบคนนะกะว่าไปอยู่กับท่านวอได้นอนเต้นคุยกันเต็มที่เลยนะพอไปถึงที่น่อนกดข้อแรกก็คือปิดวาจา เขาบอกว่าพระอาจารย์คะหนู่เป็นคนไปชวนเพื่อนๆมาทํางานแบงค์เสซะด้วยกะว่ามาที่นี่คลางคืนก็จะได้คุยกันบ้างแล้วพระอาจารย์เนี่ยห้ามอะไรไม่ห้ามห้ามไม่ให้พูดอา <c oughs> ต, ตมาก็ต้องบอกว่ากฎก็ต้องเป็นกฎคุณพูดมาแล้วทั้งชีวิตแล้วชีวิตมันดีขึ้นไหมถ้าอาจารย์ขอไม่พูดสักห้าวันน่ะถ้ามันไม่ดีขึ้นน่ะ อาอะไรจากพระอาจารย์นะอ้าวเรียกร้องมาเลยปรากฏว่าเขาสมาทานงดพูดนะแล้วก็มาถามอีกกลางคืนมาถามพระอาจารย์ไม่พูดแตจะยมเขียนบันทึกถึงเพื่อนได้ไหมมันก็อันเดียวกันนั่นแหละสุดท้ายแต่มาจับแยกหมดเลยนอะไม่ต้องไปนอนเต็นท์นอนกดโซนเดียวกันนะจับแยกคนละโซนคนละโซนคนละโซนนะมันยังทําตาละโฮย้ยนะเห็นไหม บางครั้งความสุขของเราอยู่ที่ไหนที่เพื่อนถห้เมื่อไรก็ตามที่เราสามารถพัฒนาตนจนเป็นคนของตัวเองอย่างล้วนๆนะแล้วยังค้นพบว่ามีความสุขนั่นเราไปอีกขั้นหนึ่งของความเป็นมนุษย์อยากเป็นไหมตั้งแต่หัวเจรดเท้าไม่มีเครื่องประดับเลยสักชิ้น แต่นั่งตรงไหนก็มีความสุขยืนตรงไหนก็มีความสุขเดินตรงไหนก็มีความสุขดื่มน้ำเปล่าก็มีความสุขคนโทรศัพท์จะโทรศัพท์มาหรือไม่โทรศัพท์มาก็มีความสุขคนจะมองเห็นหรือมองไม่เห็นก็มีความสุขนั่งบนแผ่นเห็นก็รู้สึกนุ่มตามลมหายใจธรรมดาธรรมดาก็รู้สึกว่ามันสดชื่นรื่นเย็นไปเลยทั้งชีวิตคนยอมอยากเป็นอย่างไงไหม อยากเป็นไหมเก็บไม่แพงหรอก <c oughs> นี่คือสิ่งที่ธรรมภาพได้เรียนรู้จากวิถีชีวิตของท่านทิชนันทฮันคือเราได้ไปเห็นว่าคนธรรมดาธรรมดาที่ไม่ประดับกายด้วยอาภรณ์ใดๆเลยมีแต่การเจเริญสติอยู่ในวิถีชีวิตประจำวันล้วนๆแล้วท่านกลายเป็นองค์รวมของความสุขเคลื่อนที่ ถ้าใครพัฒนาตนจนเป็นองค์รวมของความสุขเคลื่อนที่เช่นนั้นได้จากนั้นเขาจะกลายเป็นคนที่ทําอะไรก็แผ่กระจายรังสีแห่งความสุขออกไปทั้งหมดทั้งเส้นพูดก็พูดแล้วทําให้คนฟังมีความสุขทําก็ทําให้คนที่ได้รับผลแห่งการกระทํานั้นมีความสุขอยู่ในโลกก็อยู่อย่างการที่ทําให้โลกนี้มีความสุข คุณโยอมอยากเป็นมนุษย์พันธุ์นี้ไหมไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องเหลือบา ก, กว่าแรงเรานะทุกวันนี้เราเรามีมนุษย์ที่เต็มไปด้วยความทุกข์และเขาอยู่ตรงไหนเขาก็ทำให้ตัวงทุกข์และทําให้คนที่ใกล้ใกทุกข์บางทีตื่นเช้าๆมาเนี่ยเราผิวปากเรามีความสุขมากเพื่อนโทรศัพท์มาสักแัพหนึ่งเนี่ยเดินกลับเข้าบ้านไหลห่อเลย เพื่อนบอกว่าจะไปไหนนะวันนี้เขาจะมาหาเขาเดือดร้อนจริงๆ <laughs> ขอสักหมื่นหนึ่งเธอคุณนยมดูสิตัวเขาอาจจะมาอีกหนึ่งชั่วโมองข้างหน้าแต่สิ่งที่มาก่อนคืออะไรความทุกข์ความทุกข์ ม, กมันมาแล้ว <laughs> <laughs> เห็นไหมว่ามันเคลื่อนที่น่าหยาดความทุกข์เนี่ยเคยเจอไว้อย่างเนี้ยเราเป็นแม่เนี่ยลูกโทรศัพท์มาจากต่างจังหวัดแม่ แม่สบายดีไหมสบายมากเลยลูกแม่คะพอดีต้องซื้ออุปกรณ์เพิ่มอ่ะแม่นะแรปเปอร์กรูเลอร์อย่างละห้าร้อยบาทอะ่ะ <c oughs> ถ้าบอกว่ายังลบเลยไหมบรรทัดมันไม่แพงต้องใช้ภาษาอังกฤษ น, นิดนึงนะแค่นี้คืนวันอันเื่อนรมของแม่ก็หมดลงไปได้ตัวคนยังไม่ได้มาแต่คลื่นความทุกขมาแล้วอ่ะเห็นหรือยงัง ถ้าเราไม่มีสตินะเราจะเป็นหน่วยความทุกข์เคลื่อนที่เวลาที่เราพูดเราก็จะทําให้ให้คนที่ฟังเรามีความทุกข์ใช่ไหมแต่ถ้าเรามีสติเวลาที่เราพูดเราก็พูดให้คนที่ฟังเรามีความสุขอย่างเช่นคนคนที่เจ็บป่วยเนี่ยธรรมภาพมีคนโทรศัพท์มาหาบ่อยมากโดยมากจะเป็นผู้ป่วยในระยะสุดท้ายหลังจากที่ธรรมภาพไปออร์การเจอะใจเนี่ยแล้วก็ไปปลอบน้องคนหนึ่งไปเทศการสุดท้ายให้เขาอนะ เรียกว่าเทศนาสุดท้ายแต่น้องเขาก็จากไปพร้อมรอยยิ้มรายการทีวีก็ไปถ่ายนะว่าน้องเขาไปพร้อมรอยยิ้มจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยใครจะตายโทรหาท่านวอร์ทุกคนล่ะเออเนี่ยคุณโยมลองคิดดูนะเขาจะไปอยู่แล้วอะคุณจะพูดให้เขาไปอย่างสงบได้ไหม เป็นเรื่องที่ต้องใช้ความสามารถนะเพราะทุกคนเนี่ยเขาหวังว่าสิ่งที่เขาจะได้ฟังจากเรามันเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวของชีวิตนะแล้วเขาจะดับจิตแล้วอ่ะถ้าเราไม่ผ่านการเจเริญสติมาเราจะพูดยังไงคนบางคนโทรศัพท์มาหาตรรมาพอธรรมารับโทรศัพท์ปั๊บคนลุกทั้งแขนเลยรู้ไหมทำไมเป็นงั้น จิตของคนคนนั้นส่งมาถึงอาตมาพวกเลยเป็นพลังงานสุดท้ายที่มันสว่างวับขึ้นมารอธรรมะจากเราอ่ะฉะนั้นเราจะต้องใช้พลังของการเจริญสติตอบกลับไปพอเขาได้คุยกับเราปุ๊บให้พลังสติมันแผ่ไปจนเขาเย็ยนกายเย็ยนใจแล้วอบอุ่นมั่นใจฉะนั้นเราจรึงพูดคําที่ควรพูดซึ่งอาตมาทาพก็มักจะพูดเหมือนๆกันว่า เราเกิดมาในโลกเหมือนเรามาเดินอยู่บนสะพานนะสะพานเนะี่ยมีไว้ให้เดินข้ามอย่าไปนั่งแช่อยู่บนสะพานแล้วคิดว่านี่สะพานของฉันเราแค่เดินมาแล้วเราก็เดินไปจากฝั่งโน้นสู่ฝั่งนี้จากฝั่งนี้สู่ฝั่งโน้นเมื่อพ้นสะพานแล้วก็เดินต่อไปข้างหน้าสิห่วงสะพานมาทำไมนี่ก็คือการปล่อยวางนั่นเอง บางคนพูดเสร็จแล้วพ่อแม่ก็บอกว่าขอบพระคุณมากนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ฉากนี้น้องก็คงไปดีแล้วล่ะปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นโทรรศัพท์มาหาธรรมายังไม่ไป <c oughs> <c oughs> บอกว่าได้ฟังธรรมะแล้วเกิดปีติขึ้นมานะจนหลายครั้งหมอต้องถามว่าขอถามจริงๆนะครับพระอาจารย์ไปเสกอะไรให้คนเหล่านั้น อตมาบอกว่าโยมจริงๆคนที่ป่วยระยะเรื้อรังน่ะป่วยเรื้อรังแล้วก็ระยะสุดท้ายไม่ใช่คนสิ้นหวังแต่ทางพุทธศาสนาเรามองว่าเป็นคนที่มีหวังอย่างที่สุดเพราะอะไรเพราะพอเขารู้ว่าเขาจะตายใช่ไหมเขาทิ้งทุกอย่างเลยนะจิตเขาเด็ดเดี่ยวมากไม่มีอะไรที่เขาจะต้องทําอีกแล้วนอกจากการปฏิบัติธรรมในนาทีสุดท้ายลุกขึ้นมาปฏิบัติธรรมพอทําอย่างนี้ปับ๊บหลายคนเจเรเินสติได้รุดหน้ามากเพราะอะไร เขาไม่มีสิ่งที่ภาษาพาุเรียกว่าผลริโดเนี่ยกังวลไม่มีเพราะเขารู้แล้วว่ายาังไงฉันก็ตายใช่ไหมเหลือตัวคนเดียวแล้วเนี่ยเขาจะต้องเป็นเดี่ยวมือหนึ่งไปสู่โลกหน้านะพ่อก็อช่วยไม่ได้แม่ก็ช่วยไม่ได้เขาต้องทำตัวเป็นมือวางอันดับหนึ่งลุกขึ้นมาเจอเินสติพระบอกอะไรเขาทาตามนั้นทั้งหมดและนั่นทำให้แหกคำทานายของหมอหลายคน บางคนเนี่ยสามารถปฏิบัติธรรมจนอยู่มาจนข้ามปีได้นะที่เชียงใหม่เนี่ยเป็นกรณีศึกษาเลยนะหมอถามว่าโดยรูปการเนี่ยร่างกายคุณยังไงก็แบกภาระไม่ไหวแต่ทำไมคุณอยู่ต่อปรากฏว่าคนไข้เนี่ยปฏิบัติวิปัสนาทานั้งทั้งที่ในชีวิตเขาไม่เคยทําเลยนะเขาให้โจทย์มากาตามาว่ายัางไงคนยอมรู้ไหมเขาบอกว่าทั้งชีวิตหนูทำแต่ความดี ตักบาตรทุกเชา้าวันไหนพระไม่มาเอากับข้าวไปส่งที่วัดและพระอาจารย์เจ้าคะสิ่งที่หนูได้รับคือทำไมหนูต้องมาเป็นมะเร็งนี่หรือคบุญของพระอาจารย์โอ้ถามแรงมากนะคือเนื่องจากเนื่องจากว่าหมอในฟันทงแล้วว่าสามวันเจ็ดวันนี้ไปแน่คนป่วยก็เลยท้าทายเลย ถ้าพระอาจารย์ตอบให้หนูไม่ได้ว่าทำไมบุญที่หนูทำถึงไม่ช่วยหนูจะเปลี่ยนศาสนาแม้จะเหลือนาทีสุดท้ายหนูก็จะเปลี่ยนเพราะหนูรู้สึกว่าหนูกำลังทำแล้วมันสูญเปล่าทาบุญทุกเชา้าตักบาตรทุกเชา้าทำไมโรคมะเร็งของหนูไม่หายอาตมาเลยบอกว่าโลกหนูเป็นมะเร็งก็ต้องให้หมอรักษาสิโลกหนูตักบาตรเนี่ยคนที่อิ่มคือพระใช่ไหมโลก มันไม่ตรงกับสมมุติฐานเท่าไหร่นะและบุญหนูก็ได้ไปแล้วตอนที่หนูตักบาตรไงและพระพุทธเจ้าเคยบอกที่ไหนว่าตักบาตรแล้วจะไม่เป็นมะเร็งอะ่ะเราก็ไปให้สติเขานะคุยไปคุยมาคุยไปคุยมาจากคนป่วยที่หายใจโรวยเรียนนะคุณผูมนะเชื่อไหมในระหว่างที่คุยกัตมาลุกมานั่งบนเตียงแล้วคุยอย่างนี้เลย นอนต่อสายโทรศัพท์คุยครั้งแรกนอนแบบคุยพาคุยกับตามาคุยไปคุยไปลุกขึ้นมานั่งคุยอย่างงี้แล้วตามาก็บอกว่าลูกหรือลูกสู้กับความเจ็บแค่ได้ป่วยได้ ย, ไดยังไงเขาก็บอกว่าถ้ามันไม่ไหวขึ้นมาจริงๆหนูก็ตามดูเวทนาแล้วดีไหมลูกดีเหลือเกินเจ้าค่ะแต่หนูแทบจะทนไม่ไหวแล้วใครสอนให้หนูดูเวทนา พ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนหนูไม่เคยทำหรอกแต่ว่าตอนนี้หนูไม่เหลืออะไรแล้วหนูก็ต้องทำดูเวทนาจนแยกเวทนาได้อคุณดเพอรู้อย่างนี้พระอาตมาก็บอกว่าลูกลูกไม่ต้องถามหาบุญแล้วนะเพราะในเมืองไทยผู้คนหกสิบล้านคนมีกี่คนที่ได้เรียนวิัพสนากับมรรมฐานก็การที่หนูรู้จักแยกกายแยกใจดูเวทนาเป็นเนี่ยมันคือการเจริญสติปัฏฐานสี่ นี่มันเลยบุญมาไกลามากแล้วนะมันคือวิปัสนามันสูงกว่าบุญคือความอิ่มอกอิ่มใจทั้งกี่เท่ายังไม่รู้หรือว่าหนูมีของที่ดีที่สุดแล้วถ้าอาจารย์พูดแค่นี้ร้องไห้สวนมาเลยนี่ก็แสดงว่าหนูคิดผิดมาตลอดใช่ไหมคะที่หนูคิดว่าบุญจะเสกให้หนูหายแต่มาก็เลยบอกใช่โลกหนูไม่จำเป็นต้องหายหรอกหนูตายก็ได้ แต่ตายโดยไม่ยึดติดถือมั่นนะ่ะนั่นแหละคือบุญอันสูงสุดพอเราไปชี้ให้เขาเห็นว่าคนที่เจริญนิพพสนานั่นแหละคือมนุษย์ที่เป็นอภิมนุษย์เพราะในโลกนี้มีมนุษย์หกพันกว่าล้านคนมีกี่คนที่เจริญนิพพสนานเป็นคนรวยมากไม่ค่อยรู้จักคำคำนี้ด้วยซ้ําพอเราไปแตะนิดเดียวนะว่าสิ่งที่เธอทําอยู่ประเสริฐที่สุดตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาน้องคนนี้ป่วย ก็ตามดูเวทนาดูไปดูไปดูไปจนกระทั่งว่าไม่รู้เป็นยังไงนะอาการเจ็บไข้หรือรังมันซาลงไปรือในที่สุดก็ออกจากโรงพยาบาลแล้วก็มามีชีวิตอยู่อีกตั้งปีสองปีก่อนจะจากไปครั้งสุดท้ายเนี่ยไปพร้อมกับรอยยิ้มเพราะอะไรผู้ป่วยคนนี้เข้าใจว่ารูปก็แค่นั้นนามก็แค่นั้น สุดท้ายทุกอย่างเราไม่วังเขาเขาก็วังเราทั้งหมดแล้วก็ไปอย่างสงบนี่คุณยอมดูสิพระอาจารย์ไม่ต้องทําอะไรเลยนะพระอาจารย์ก็บอกแค่ว่าตอนทําบุญมันก็อินใจไปแล้วบุญไม่มีหน้าที่รักษาโรคมะเรง็งบุญทําให้คุณภาพชีวิตของคุณดีขึ้นคุณมีสุขภาพจิตที่ดีแต่ถ้าคุณเจ็บไข้ได้ป่วยตราบใดก็ตามถ้าคุณยังคิดว่ามีตัวคุณที่ป่วยอะ ตายไปพร้อมกับความเข้าใจผิดๆแบบนั้นมันต้องกลับมาเกิอดอีกทุกวันไม่จบแต่ก่อนจะตายเนี่ยเขารู้ว่าโอ้นี่ก็แค่รูปนะนี่ก็แค่นามนะรูปป่วยแต่นามไม่ป่วยเนี่ยกายป่วยแต่ใจไม่ป่วยเพราปล่อยได้พอวางได้นะก่อนที่คนคนนี้จะไปหนังสืองานสบเสร็จแล้วดูแลพ่อแม่เรียบร้อยแล้วทุกอย่างวางแผนอย่างดีทั้งหมด แล้วก็จากไปเหมือนคนไป ด, well, ดูงานต่างประเทศเพราะอะไรเขาเตรียมตัวมาอย่างดีแล้วก็ไปแม้กระทั่งเทศในงานศพคืนสุดท้ายเขาก็เตรียมเขาบอกว่านิมนท์ท่านบอมาเทศนะอัตมาจะไม่ไปได้ยังไงผีนิมนท์น่ะเห็นได้ยังนี่ถ้าเราจะเริญนวิปัสสนากรรมฐานเป็นนะเราจะมีความสุข ที่เป็นดังทานนาพุอยู่ข้างในแล้วหลังจากนั้นนั่งตรงไหนตรงนั้นมีความสุขยืนตรงไหนตรงนั้นมีความสุขทำอะไรที่ไหนทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมีรังสีแห่งความสุขชาบไล้์ทาทั่วไปหมดเราอยากเป็นมนุษย์พันเช่นนั้นหรือไม่ถ้าเราอยากเป็นก็ขอให้เราทั้งหลายได้พาตัวเองมาประพฤติปฏิบัติธรรมตามแนวทางของการเจริญสติปัฏฐานสี่ จเจอนี่ปัสนากับมาฐานตามแนวทางสติปทานสี่คือตามดูกายเวทนาจิตและธรรมก็ทำไปเถอะแล้ววันหนึ่งเราจะรู้ว่าไม่มีสร้อยก็มีความสุขไม่มีแหวนก็มีความสุขไม่มีโทรศัพท์มือถือก็มีความสุขบีบีเนะ่ยไม่มีก็มีความสุขนะไม่ได้ทานคริสปี้โดนัทก็มีความสุข เราได้ดูละครหลังข่าวเราก็มีความสุขอยู่กระต๊อบเราก็มีความสุขนอนห้องเล็กๆปูด้วยฟากด้วยไม้ไผ่เราก็มีความสุขไม่มีชื่อเสียงเราก็มีความสุขเพราะอะไรก็ใจมันตื่นแล้วอ่ะใจที่ตื่นแล้วเนี่ยจะเป็นใจที่ต้องการน้อยที่สุดเลยวัตถุถ้าหากจะมีก็มีเพื่อเกื้อกูลความจําเป็นขั้นพื้นฐานแล้วที่เหลือแบ่งปันเพราะอะไร เพราพอใจมันเต็มแล้วเนี่ยมันก็ไม่เรียกร้องเอาอะไรมากองสมสมๆมๆไว้เป็นสมบัติบ้ารอกใจที่ตื่นแล้วจะเป็นใจที่ต้องการน้อยที่สุดแต่จะมีความสุขได้มากที่สุดถ้าเราฝึกเจริญสติจนเป็นชีวิตจิตใจของเราแล้วเราทำโดยไม่ต้องอาศัยท่วงทีลีลาเลยนะอยู่ที่ไหนทำในนั้นเลยทานข้าวอยู่เราก็เจริญสติได้ ขับรถอยู่เราก็เจเริญสติได้เข้าห้องน้ำอยู่อาบน้ำอยู่ก็เจเริญสติได้คุยอยู่นี่ยังเจเริญสติได้เลยเดินยืนนั่งนอนกินดื่มทาพูดคิปเหลือบแลเห ล, ลวทุกอย่างเป็นการเจเริญสติได้ทั้งหมดถ้าเราทำเป็นแล้วและถ้าใครทำอย่างนี้นะสะสมหน่วยกิจของสตินะสะสมไปสะสมไปสะสมไปสะสมไ ป, สะสมไปนะไปถึงจุดหนึ่งหรือวันหนึ่งคืนหนึ่งนะกายมันจะเบาจิตมันจะเบานะ กายะมุทุตากายเบาเกิดขึ้นจิตตาโมทุตาจิตเบาเกิดขึ้นแล้วบางทีเราจะรู้สึกตัวเองเหมือนปุยนุ่นนะเราแตะโต๊ะเนะี่ยโต๊ะแข็งๆนี่นะนุ่มพิมพ์คอมพิวเตอร์อยู่เนี่ยนะสัมผัสแป้นพิมพ์อยู่เนี่ยนะนุ่มไปทั้งแป้นเลยเพราะอะไรกายเบาจิตเบาทุกอย่างที่เราก็ไปเกี่ยวข้องนี่ยมันนุ่มนวลควรแก่งงานไปทั้งหมดเลยถ้าไปถึงภาวะอย่างนี้แล้ว หลังจากนั้นจะเหมือนเราเดินลงเขาชีวิตเหมือนมีลมรำเพยพัดอยู่เรื่อยๆความสุขแน่น้อยคอยรินคอยไหลเหมือนน้าหล่อเลี้ยงอยู่ข้างในนะมันก็กระทบโลกกระทำ ต, ตามปกตินะรูปรกสกลิ่นเสียงเราสัมผัสทั้งหมดมันกระทบทั้งหมดนั่นแหละแต่ความกระเทือนมันน้อยลงน้อยลงน้อยล ง, ยลงเรารับรู้ทุกอย่างนะคนชมเราคนด่าเราเรารับรู้ทุกอย่างเปรี้ยวหวานมันเค็มเผ็ดเรารับรู้ทุกอย่าง แต่ว่าความยึดติดถือมันในสิ่งเหล่านี้มันจะน้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงจนเราอาศัยสักแต่ว่าเป็นเครื่องอาศัยเท่านั้นความยึดติดถือมั่นมันน้อยลงมากแล้วหลังจากนั้นวัตถุภายนอกเหตุการณ์ภายนอกคนข้างนอกทําให้ชีวิตของเราแกว่งได้น้อยมากเรากลายเป็นคนที่มีความมั่นคงทางอารมณ์สูงและความสุขนั้นเป็นสิ่งซึ่งไม่ลําบากที่จะหา หรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่าคุณไม่ต้องหาเขาจัดให้อยู่ข้างในใจนี้เนี่ยถ้าเราพัฒนาตนจนกระทั่งว่ามีสัมมาสติอยู่กับตัวแล้วเนี่ยนะเราจะเป็นคนที่เตื่นอยู่เสมอเพราะตื่นอยู่เสมอนี้เราอยู่ที่ไหนเราก็มีความสุขแล้วมันก็สัมแดงออกมาเลยนะทางกายทางวาจาทางใจของเราเนี่ยนะมันจะนุ่มนวลอ่อนอ่อนก่อไวพูดโดเจ้าตัดไว้ใช่ว่ามันอ่อนก่อไวเคยมีคนไปถามนะ ทำไมสาวกของพระพุทธองค์อยู่ป่าอยู่ดงเช่นนี้ผิวพนันธุ์พุดผ่องกันทั้งนั้นเลยพระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบว่าใครก็ตามไม่คำนึงถึงความหลังไม่เฝ้าระวังแต่อนาคตจอจดอยู่กับปัจจุบันผิวพันธุ์เขาย่อมผ่องใสประโยคนี้ก็คือคำว่าสัมมาสติใครเจริญสติอยู่เสมอผิว พ, นพันธุ์ผ่องใสนั้นเป็นเรื่องธรรมดาแต่จิตผ่องใสนั้นเป็นผลโดยตรง พอจิตผองใสแล้วชีวิตของเราก็พ่องใสาตามไปด้วยดังนั้นเราลองมาถามตัวเองดูซิว่าทุกๆครั้งที่เรามีความทุกข์มันเป็นผลของพฤติกรรมที่มีสติหรือขาดสติขาดสตินะหรือโดยมากของพฤติกรรมที่ทําให้เรามีความสุขสุขอย่างแท้จริงเลยไม่ใช่สุขห ย, ยาบๆนะมันก็มาจากการที่เราเนะี่ยสร้างสันเด็ดเอาไว้ในช่วงที่เรามีสติ ดังนั้นที่เราตั้งเชื่อไว้ว่าให้สุขแก่ท่านสุขนั้นถึงตัวเนี่ยในอีกทางหนึ่งมันก็กลายเป็นให้ทุกข์แก่ท่านทุกนั้นถึงตัวได้ลองสังเกตดูสิว่าถ้าเราทําอะไรที่มีเหตุเป็นความทุกข์จากตัวเราออกไปหาคนอื่นนะทุกข์ที่ตีกลับมาหาเราก็ไปจากเหตุแห่งทุกข์ที่เราสร้างไว้ถ้าเราสร้างเหตุแห่งสุขที่ตัวเรารับวแผ่เอกไปหาคนอื่นผลแห่งสุขก็จะตีกลับมาหาเราเป็นความสุขเหมือนกันดังนั้นก่อนที่เราจะไปให้สุขแก่ท่านเพื่อสุขนั้นถึงตัวเนี่นะ สำคัญที่สุดทำทั้งเนื้อทั้งตัวของเราให้เป็นบุคคลแห่งความสุขให้ได้เสียก่อนซึ่งเคล็ดลับเนี่ยจริงๆจะพูดว่าเคล็ดลับของไม่ถูกเพราะว่ามันไม่ได้ลับเลยนะพุทธเจ้าท่านสอนแบบเปิดเผยมาโดยตลอดนั่นก็คือการพยายามกลับมารู้สึกตัวอยู่เสมอทุกวันนี้เรามีคนที่มีความรู้มากและคนที่มีความรู้มาก ทำให้คนไทยขัดแย้งกันเพราะคนที่มีความรู้มากเหล่านั้นมีแต่ความรู้เท่ายังไม่มีความรู้สึกความรู้มันเป็นเรื่องของหัวสมองความรู้สึกหรือความรู้สึกตัวมันเป็นเรื่องของจิตที่มันตื่นขึ้นมาถ้าเมืองไทยของเรามีคนที่เจเริญสติจนมีความรู้สึกตัวมากๆเนี่ยจะคิดจะพูดจะทำอะไรเนี่ยเขาก็จะทำอย่างมีคุณภาพ ถ้าเราเป็นคนที่เจริญสติแล้วเนี่ยเวลาเราจะหลุดคำพูดอะไรออกไปเนี่ยมันก็จะเป็นคำพูดเชิงคุณภาพแต่ถ้าเราไม่มีสติเวลาเราจะหลุดคำพูดอะไรออกไปเนี่ยมันก็จะกลายเป็นคำพูดที่ไม่มีคุณภาพคุณโยมเคยได้ยินได้ฟังคำพูดที่ไม่มีคุณภาพไหมมันเยอะมากนะทุกวันนี้นะถ้าอยากมีประสบการณ์ฟังคาพูดที่ไม่มีคุณภาพว่ามันเป็นยังไงเปิดดูตอนอภิปรายทางการเมืองนะ นั่น่ะคำพูดที่ไม่มีคุณภาพอ่ะคนมีความรู้ทั้งนั้นแต่ไม่ค่อยมีความรู้สึกตัวจึงได้แสดงออกในสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรออกมาดังนั้นกล่าวอย่างสั้นที่สุดถ้าเราอยากเป็นบุคคลที่ให้สุขแก่ท่านแล้วสุขนั้นถึงตัวพระอาจารย์ก็ขอแนะนํำง่ายๆว่าให้พยายามกลับมาตามดูลมหายใจอยู่ตรงไหนทําตลอดเวลานั่งอยู่อย่างเงี้ยนะสมมุติว่าฟังพระอาจารย์เทศนะโหฟังไป ส่งสติมาทางหูถ้ารู้สึกว่ามันตึงๆไปละมันเริ่มล้าแ ล, แล้วก็ดึงกลับมาตามลมหายใจก็ได้ลองทําดูทำเรื่อยๆทำเรื่อยๆทำเรื่อยๆทุกๆวันที่โยมรู้สึกอยากจะกลับมาตามลมหายใจนะในแต่ละวันนะ่ะทําได้กี่รอ้อยกี่พันกี่หมื่นครั้งทําได้ทั้งหมดทุกทุกครั้งที่เราเรียกสติกับเคลืนมาอยู่กับลมหายใจนะหรือกับกายที่เคลื่อนไหวก็ได้มันก็เหมือนกับการที่เราได้รดน้ําเมล็ดพันธุ์แห่งสติลงไป จิตมันจะดีขึ้นดีขึ้ น, ด, นดีขึ้นทุกคืนทุกวันทุกคืนทุกวันทุกคืนทุกวั น, วนใครขยันทําบ่อยก็เท่ากับว่าคนคนนั้นได้รดน้ําแห่งสติลงไปที่ต้นไม้คือตัวเองพอต้นไม้คือตัวเรานี้มันได้รับการรดน้ำมเแล็วพานังสติเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมันจะผลิดออกผลเป็นความสุขความสุขความสุขแล้วจากนั้นเราจะมีชีวิตที่สดชื่นรุ่นเย็นพระพุทธเจ้าเคยตรัสเอาไว้อย่างชาัดเจนว่า เราตถาคตกลับจากบินธบาตแล้วข้าเอาหญ้าแห้งมาปูแล้วเราตถาคตก็ลงนั่งที่นั่งนั้นแหละเป็นที่นั่งอันเป็นทิพย์ของเราตถาคตเราตถาคตไปเทศไปสอนกลับมาแล้วขึ้นไปนั่งบนแผ่นศิลาศิลานั้นแหละเป็นที่นั่งทิพย์ของเราตถาคตเราตถาคตไปปลดสัตว์กลับมาแล้ว ยืนอยู่บนทางเดินจงกรมที่แม้จะมีกรวดเห็นดินทรายอันครุขระแต่ทางเดินจงกรมนั้นแหละเป็นทางเดินจงกรมอันเป็นทิพย์ประโยคนี้สำคัญมากนะคุณผูมนะสะท้อนอะไรสะท้อนว่าถ้าข้างในสุขแล้วสิ่งแวดล้อมแม้จะหยาบจะกระด้างยังไงก็ตามจะเปลี่ยนคุณภาพเ อ, อื้อให้เรามีความสุข้วยทั้งหมดทั้งเส้น แต่ถ้าข้างในของเราไม่สุขเพราะใจไม่เตื่นเนี่ยจะประดับประดาจะตกแต่งยังไงก็แล้วแต่เธอใจก็ยังทุกข์อยู่นั่นเองฉะนั้นกล่าวอย่างสั้นที่สุดก่อนที่เราจะเป็นบุคคลที่มีความสุขจนสามารถให้สุขแก่ท่านสุขนั้นถึงตัวได้ก็ขอให้เราเรียนรู้ที่จะกลับมาเจเริญสติอยู่เสมอพัฒนาสติอยู่เสมอซึ่งถ้าเราทาเช่นนี้เป็นแล้ว พระอาจารย์กล้าการันตีได้ว่าภายในเจ็ดวันเจ็ดวันที่ฉันเปลี่ยนคุณจะเปลี่ยนแน่นอนคุณจะได้เห็นความเจริญเติบโตของตัวเองและถ้าเราทําถูกต้องสติที่เราเจริญนั้นเป็นสัมมาสติคุณโยมจะเป็นคนที่ยิ้มง่ายที่สุดพอ ย, ยิ้มเล่นน้อยเนะ่ะจะเผยให้เห็นเลยบนริมฝีปากของโยมอยู่คนเดียวนั่งคนเดียวยืนคนเดียวนอนคนเดียวคุณโยมจะยิ้มได้เรื่อยๆอย่างมีความสุขรื่นรม เกิดสภาวะที่อาตมาขอเรียกว่าสดชื่นรื่นเย็นในหัวใจแล้วหลังจากนั้นเราจะขึ้นต่อคนน้อยลงขึ้นต่อวัตถุน้อยลงขึ้นต่อสิ่งบันเทิงน้อยลงเรากลายเป็นคนที่สามารถเดินอยู่ในทุ่งกว้างที่แสนจะโดดเดียเ่ยวเปลี่ยวเหงาอย่างมีความสุขโดยที่ไม่รู้สึกว่าชีวิตนี้มันขาดอะไรถ้าไปจนถึงตรงนั้นได้เนี่ยเราอยู่ตรงไหนตรงนั้นก็เป็นแหล่งพลังงานแห่งความสุข เราไปคบกับใครไปปฏิสัมพันธ์กับใครคนที่อยู่นั่งเราเขาก็จะมีความสุขอย่างน้อยที่สุดแม้ไม่ใช่ความสุขทันหูทันตาแต่เขาจะรับรู้ได้ว่าถ้ามาใกล้คนค น, นี้แล้วชีวิตเขาดีขึ้นนี่เป็นอา น, นิสงส์ที่เราจะได้เห็นเมื่อเราเรียนรู้ที่จะเจเริญสติอยู่เสมอแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามาฝึกการเจเริญสติอยู่เสมอแล้วกลับปรากฏว่าความเครียดก็ไม่ได้ลดลงอาการขี้วีนของเราก็ไม่ได้ลดลงโวยวายก็ไม่ได้ลดลง นะปากเสียก็ไม่ได้ลดลงเอาใจใจตัวเองก็ไม่ได้ลดลงโลบโมโทสันก็ไม่ได้ลดลงต้องหาสำนักใหม่เลยนะแต่แตมาเชื่อมั่นอย่างหน่งว่าถ้าทุกคนมาฝึกวิปัสสนากรรมฐานที่ยุวรพุทธของเราทุกคนจะเปลี่ยนเพราะที่นี่ได้ทำเรื่องนี้มาจนเป็นผู้ที่รู้จริงในเรื่องนี้และเป็นหลักเป็นฐานที่เชื่อมั่นได้ในสังคมไทยของเรา ดังนั้นวันนี้ที่เรากำหนดหัวข้อเอาไว้ว่าให้สุขแก่ท่านสุขนั้นถึงตัวนั้นธารมะภาพก็ขอสรุปอย่างรวบรัดตัดตอนกระชับที่สุดว่าถ้าท่านอยากเป็นบุคคลที่ให้สุขแก่ท่านแล้วสุขนั้นกลับมาถึงตัวได้เสมอก็ขอให้เรากลับมาฝึกการเจเริญวิปัสสนาในชีวิตประจำวันถ้าใครรักตัวเองนะไม่ต้องซื้ออะไรเป็นก่ อ, อ, อให้ตัวเองมากมายหรอก หาโอกาสเชิญชวนตัวเองมาเข้าคอร์สวิปัสสนากรรมฐานสักครั้งหนึ่งในชีวิตนั่นแหละคือการให้รางวัลที่ยิ่งใหญ่แก่ตัวเองที่ดีที่สุดและใครทำได้คนคนนั้นจะกลายเป็นบุคคลแห่งความสุขในอนาคตอันใกล้ไม่เร็วก็ช้าฉะนั้นวันนี้ก็จึงขอโมทนาสาธุการทุกท่านทุกคนที่มาอยู่ในปริบบนทนแห่งนี้ได้นาข้อคิด <c oughs> สิ่งล้า น, น, ลน้อยที่พูดถึงในวันนี้ไปปรับไปประยุกใช้ จนเราท่านทั้งหลายกลายเป็นบุคคลแห่งความสุขโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเถิดเ <c oughs> มื่อกี้พูดถึงทฤษฎีไปแล้วนะประมาณชั่วโมงหนึ่งเอาละทีนี้เราน่าจะลองปฏิบัติกันดูนะจะได้รู้ว่าความสดชื่นรื่นเย็นนั้นเป็นยังไงแต่ก่อนจะปฏิบัติพระอาจารย์ขอให้เราสับเปลี่ยนอิริยาบถกันเล่นหนึ่งเนาะ อ่าทุกคนทุกคนชูมือขึ้นมาสิเอาสูงสูงเลยน ะ, ะสุดแขนเลยอ่ทีนี้ลองสายอย่างนี้สิเขาเรียกว่าปรบมือแบบอริยะนะนะไม่ต้องใช้เสียงอ่าแรงแรงหน่อยนีอ่าเอาละอ่าทีนี้เอาลงมาแค่นี้ยื่นไปด้านหน้าของเราสุดแขนจนมันตึงอ่ะตึงๆกำแล้วก็งอเข้ามาอย่างี้ แล้วก็ปล่อยออกไปอ่างอเข้ามาปล่อยออกไปงอเข้ามาปล่อยออกไปเราสามารถเจริญสติไปด้วยนะตามรู้ไปเนี่ยเห็นไ่มกำลังงอแล้วเนี่ยปล่อยแล้วเนี่ยอ่าทีนี้ให้ปล่อยมือด้วยนะพอกรรมแล้วเนี่ยพอปล่อยอย่างนี้แล้วให้ปล่อยผึ่งไปเลยอ่างอเข้ามาปล่อยงอเข้ามาปล่อยงอเข้ามาปล่อย อ้าวเรานั่งมานานเนาะเราเคยรู้สึกถึงบุญของคุณของแข้งของขาที่เรานั่งนานๆไหมคุณยอมรู้ไหมว่าตักเกิดจากอะไรตักเกิดจากการพบกันระหว่างการนั่งและการยืนนะถ้ายื น, นล้วนมันก็ไม่ได้นั่งใช่ไหมถ้านั่งล้วนกายมันก็ไม่ได้ตั้งใช่ไหมพบกันครึ่งทางตักก็เลยเกิดเนี่ยที่เรานั่งอย่างมั่นคงเนี่ยเพราะว่าเราอาศัยใไง นะสองแข้งสองขากลนกบของเราด้านหลังด้วยกระดูกสันหลังด้วยเขามีบุญคุณกับเรามากอะคนโยมยกเข่าขึ้นมาอย่างนี้ตอนนี้เรานั่งคัมสมาธิอย่างนี้เราเรานั่งชันเข่าอย่างเงี้ยอะนั่งชันเข่านั่งชันเข่าอย่างเงี้ยเออเห็นไหมเออขึ้นมาอทีนี้นวดเท้าของเราก่อนนวดลงไปที่เท้าเอตั้งแต่นิ้วมือนิ้วเท้านะนวดให้เ้าหน่อยอะเลือดลมจะได้เดินขอบคุณเขาหน่อยคุยกับเท้าด้วยนะ นะเท้าที่รักโอ้โถ้าฉันไม่ได้เธอนะฉันไม่ได้เดินมาที่นี่หรอก<ะ>อ่าคุยเขาสินะเอะค่อยๆนวดค่อยๆประคบประงมนะอ่านวดนะคุยในใจอดูสินี่เล็บเท้าฉันนะโอ้โหสวยเชอเออดูดีเล็บขบเนี <c> ่ย <oughs> นวดให้เขาแล้วคุยด้วยนะอาจากเท้าเลื่อนขึ้นมาถึงข้อเทา้าแล้วไล่ขึ้นมาตามแข้งตามขาตามเขา่าอะ นวดแรงๆนวดแล้วปล่อยนวดแล้วปล่อยน ะ, ะกรรมแล้วปล่อยกรรมแล้วปล่อยขอบบุญขอบคุณเขาสิเห็นไหมถ้าไม่มีเขาเราจะมานั่งเสนอเน้า อ, อยู่ตรงนี้เหรอเห็นไหมเท้านี้ใช่ไหมที่พาเราไปวัดนะ่ะเท้านี้ใช่ไหมที่พาเราไปห้างอนะ่ะใช่ไหมเออนวดนวดนวดหน่อยนะเอาทีนี้มือที่เรานวดนวดเนี่ยนะมันส่งพลังงานไปจากไหน ต้นแขนใช่ไหมอ่าเอาแขนขวานวดแขนซ้ายแขนซ้ายนวดแขนขวานี่จับเส้นหน่อยเนี่ยตั้งแต่ไหล่ลงมาเนี่ยฮะนวดนวดดูเห็นไหมเออเนี่ยดูสิเนี่ยเห็นไหมเราเคยกระตันยูแขนเราหรือเปล่าเนี่ยมันมีพุทธภาษิตนะว่ากตันยูกระตะเวทิตาใช่ไหมเป็นเครื่องหมายของคนดีมีวันหนึ่งอาตมาอาบน้ําอยู่นะกําลังล้างเท้าอยู่นะวันหนึ่งจิตมันก็ปิ๊งขึ้นมาว่ากระตันยูกตะเวทิติน จริงๆเนอะถ้าไม่มีเท้านี้เนอะไม่มีตีนนี้เนอะไม่ได้เดินไปทําอะไรดีๆนี่จิตมันปิ๊งกันมาจริงๆเนอะเนะีเออเรานวดเขาบ้างเอาอาทีนี้นวดต้นคอนี่อต้นคอเราเนี่ยหันซ้ายหันขวาหน่อยอ่าเอาเอาหมุนหมุนหน่อยนะอ่ะดูแลเขาหน่อยคอนี้ก็ต้องกระตันอยู่นะถ้าไม่มีคอกลมๆเนี่ยนะใครมันจะมาไส่ซอกคอ เออดูสิเนะี่ยนวนวดนนวห น, น, น่อยนะขย่อมขเ่อมหน่อยอ้าวอ่าตรงนี้มาติ่งหูอ่าเอามือมาย้อนใบหูติ่งหูเนี่ยเวลามันง่ว ง, ง, งก็เนี่ยทํเบาเบาเนี่ยทำเบาเบาเนะี่อ่าเห็นไหนี่เราต้อง ด, ดูต้องแหลกันหน่อยเราใช้เขาอะไม่มีหูเนี่ยจะได้ฟังหรือใช่ไหมอ่าจากนั้นมาที่บวกตาเราเนี่ยอ่าเบาเบา ตรงเนี้ยตรงหน้าผักตรงบอกตาเนะี่ยไล่มาไลข่ขยำขยำขยำขยำขยำไม่ใช่ขยำนะแตะเบาๆพอแล้วมั้งนวดนวดนวดนวดนวดนวดคิ้วดูดูซิว่ามันคิ้วจริงเนะี่ยมาคิ้วเขียนสํารวจบังดินะเออถ้าเขียนก็เขียนให้สวยนะไม่ว่ากันนะอืคิ้วจริงก็ดีใจด้วยยังไม่แก่อ่จากนั้นเอามือมาอย่างนี้นะ กำแล้วปล่อยอย่างนี้กำแล้วปล่อยกำแล้วปล่อยกำและปล่อยสังเกตไหมว่าจะมีมีเลือดฝาดเห็นไหมเรากำแค่เนี้ยคุณโยมมันท่านลวงมาจนถึงฐานของกายเลยนะเพราะว่าเส้นประสาททั้งหมดมันถึงกันหมดเน่ะกำแค่เนี้ยทะลุไปจนถึงในสมองเลยเอาจากนั้นเบาๆนะตบไปที่แก้มเห็นไหมแก้มเรือเชิญนะาอายุเท่าไหร่ละยาย แปดสิบแล้วจะแก้มยังเรื่อเลยเบาๆนั้นเดี๋ยวฟันกรามหลุดฟันปลอมเคลื่อนที่เอออ่ะทีนี้อ่ะย้ายมาอย่างนี้ยืดตัวขึ้นมาอ่าเอาเอามาอย่างนี้นะลองเอี้ยวดูสิเอี่ยวซ้ายดูสิอ่ะเอียยเอ่ยวซ้ายอืมอ่ะให้ส่วนหางตาแต่ตาเนี่เอียงไปด้วยเอียงคอจนสุดเลย อ้าวแล้วเอวขวาเอวขวาซ้ายขวาเอาล่ะอ่ากลับมาอยู่ตรงกลางแล้วทีนี้เอาวทีนี้พร้อมหรือยังพร้อมหรือยังอยากจะทําให้ตัวเองมีความสดชื่นรื่นเย็นในชีวิตไหมวันนี้จะให้เคล็ดลับจะให้เคล็ดลับ เอาเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายถ้าใครไม่สะดวกจะนั่งพับเพียบก็ได้นะพับเพียบก็ได้ไม่ว่ากันเอาทีนี้ยืดกายให้ตรงถ้ากายไม่ตรงในะการไหลเวียนของเลือดของลมจะไม่ดีอานาปนสตินั้นมันต้องการความโปร่งโล่งของกาย ของระบบไหลเวียนโลหิตและลมเอาหลับตาลงสังเกต ด, ดูซิว่าปลายมือปลายเท้าเราเนี่ยเกร็งไหมถ้าเกร็งคลายก่อนปากของเราเม้มเกินไปไหมถ้าเ ม, ม้มคลายก่อนคิ้วของเราย่นก็ห า, ากันหรือเปล่าถ้าย่นคลายเดี๋ยวนี้เลย จะให้รู้สึกว่ามันมีนมการเกร็งเกิดขึ้นที่อวัยวะตรงส่วนใดส่วนหนึ่งของเรานะให้ส บ, สบายสบายทุกส่วนเอาแล้วจากนั้นลองตามดูลมหายใจติเอาเริ่มต้นหายใจเข้าแรงก่อนแล้วก็ผ่อนออกมาจนสุดทายของลมหายใจเข้าแรงเพื่อจะตามดูดึงดึงกลับมาอยู่กับลมหายใจจากนั้นผ่อนออกไป พอดึงดึงกลับ ม, มาอยู่กับลมหายใจแล้วทีนี้ปล่อยกายปล่อยใจให้สบายที่สุดไม่ต้องทําอะไรอย่างอื่นเลยนะแค่สังเกตดูลมหายใจที่มันกําลังเข้าและกําลังออกเฉยๆนั่งเฉยๆเหมือนเหมือนเรากําลังเอาเท้าแช่นะ้ําแล้วแกว่งเท้าไปมาทําตัวให้สบายที่สุดหน่อยให้รู้สึกําลลังพัดผ่านร่างกายฉัน เท้าฉันกํนลาลังแช่อ ย, ยนะู่ในน้ำแขวนไปแขวนมามีปลาตัวเล็กตัวน้อยมาไลเอาฉันูชีวิตฉันสบายที่สุดแล้วฉันไม่เอาอะไรกับใครเลยทำใจให้สบายที่สุดแล้วสังเกต ด, ดูลมหายใจของเราที่กําลังเข้ากําลังออกทําให้ผ่อนคลายนะเอาละลองเริ่มกัน